ข้าวข้างนี้ก็คู่แล้วกันแล้วก็ขอโมรทนากับพวกเราในช่วงบ่ายเนี่ยนี่เวลาก็ไล่เข้ามาพอสมควร เราต้องการที่จะให้เรารทั้งหลายได้ศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้การศึกษาคําสอนของพระบรมศสาสดานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทาความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือการศรัทธานในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นต้อชัดตรงนี้นะเพราะว่าพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตามระลึกนึกถึงให้มากใครครวรให้มากเพราะถ้าอย่างนั้นการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าในโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็จะสูงเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆรใช่ไหมเพื่อในในการรู้จักพระบรมศาสตร์เขาต้องรู้จักท่านโดยฐานะที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณอย่างไร บารมี30สทัศน์นะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยถามว่าการกระทำ ม, มาหรือการการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์บุตรชายาและก็อวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็บำเพ็ญบารมี30สบทุวนและก็โพธิปกักขีธรรมมันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ให้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณนนบริสุทธิ์ที่ให้พระคุณทั้งสิ้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามคือกามาภูมิรูปภูมิและอารุปภูมิทรงกระทาที่สุดแห่งทุกข์แล้วทรงเปื้องหมู่ชนผู้กระทำกรรมกรรมที่งามไม่ออกจากทุกข์้ในคำนั้นเนี่ยคำว่าโยนี่ก็แปลว่าพระองค์ใดเป็นคำที่แสดงถึงเนื้อความที่กาหนดไว้อย่างแน่นอนคือผู้ใดเนะ คือผู้เช่นใดเป็นคําดําหรือคำเป็นคนดําหรือคนขาวดังนี้เป็นต้นท่านขยายความอีกคำหนึ่งคําว่าโลกัถายะเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกโลกัถายะก็คือเพื่อสําเร็จแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายนั่นคือชาวโลกคําว่าพุทธโธนั้นคือพระพุทธเจ้าก็คือพระหมาระหาบุรุษคนหนึ่งพระหมาหาบรุษคนหนึ่งคือใครคือท่านผู้แทงตลอดธรรมทั้งปวง คำว่าแทงตลอดทำทั้งปวงนั้นคือตัวสภาวะนะีที่แทงตลอดทำทั้งปวงนั้นการแทงตลอดทำทั้งปวงนั้นมาจากอาราธมาสอาราธผลแต่หลังจากอาราธมาสอาราธผลแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสัพพยุตยานที่เรียกว่ามหากริยาญาณสัมบยุตอสังคาลิกนั่นแหละที่เป็นสัพพยุตยานเป็นนาวรณญาณที่สามารถแทงตลอดทำได้ทะลุทะลวงและทั้งปวง ส่วนคําว่าทนังนแปลว่าทรัพย์ทรัพย์ในที่นั้นได้แก่สาวิญญาณนคทรัพย์มีช้างมา้าแล้วก็ทาสหญิงทาสชายเป็นต้นตลอดถึงทรัพย์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในเรียกว่าสาวิญญาณนะครั์อีกอย่างหนึ่งก็คืออวิญญาณนครัทรัพย์มีแก้วมุกดาแก้วมณีเงินทองเป็นต้นเนี่ยนะสุตะสุตะบทว่าสุตตะคือบทได้แก่บุตรและก็ธิดาทั้งหลาย ภริยาก็คือชายาได้แก่ชายาผู้ร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสคาว่าอังคะคืออวัยวะได้แก่วัยวะมีมือมีเท้ามีหูมีจมูกมีวัยวะน้อยใหญ่ทั้งสิ้นในสรีระในร่างกายทั้งสิ้นนั่นแหละเรียกว่าอังคะชีวังนั่นคือชีวิตคือสรีระทั้งสิ้นที่เนื่องกับชีวิตตินรียทั้งชีวิตตรูปแล้วก็ชีวิ ต, ตนามเจตสิกนั่นแหละ อันนั้นียดชีวิตจะชิดตวานใะนทรงสละก็จะแก่ทรงให้แก่ใครให้แก่ชนเราอื่นด้วยเจตนาที่จะให้ถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ภารณนามาต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้านี่นะไม่ว่าจะเป็นท่านังคือทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสาวิญ ญ, ญาณนักทรัพย์ทรัพย์มีช้างม้าทาาหญิงท่าชายเป็นต้นอาวิญญาณนักทรัพย์มีแก้วมุกดาแก้วมณีและเงินทอง ตลอดถึงราชบัลลังก์ทั้งหลายสุตตะคือบุตรได้แก่บุตรและธิยาบุตรและธิดาทั้งหลายที่เคยให้มาอย่างนับไม่ได้ภริยาคือชายาได้แก่ชายาผู้เกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสอังคะเืออวัยวะมาพูดถึงตาหูมจมูกเล่นกายของพระผู้เมียพระปาคเจ้าตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ทรงสละชีวชีวังคือชีวิตให้แก่สรีระทั้งเส้นที่เนื่องกับชีวิตตินรีย์ทั้งหลายเนี่ยทรงสละสละในที่นั้นก็คือทรงให้แก่ชนเราอื่นด้วยเจตนาที่จะให้เขาเรียกว่าเจตนาทานอโลภาทานและก็วิรติทานเป็นต้นเหล่าเนี้ยท่านแสดงถึงมหาปริจาคะห้าประการด้วยคําว่าภุเรตวาทรงบําเพ็ญบริบูรณ์แล้วทรงให้สําเร็จอย่างไม่บกพร่อง คำว่าปารมีโยบารมีวิเคราะห์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปคือย่อมดําเนินไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานด้วยปฏิปทาเหล่านั้นว่าเหตุ น, นั้นปฏิปทาเหล่านั้นชื่อว่าปารมีหรืออีกในาย่านหนึ่งที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าเหตุที่ให้บรรลุบรมธรรมเหตุที่ให้ถึงบรมธรรมปัจจัยหรือปฏิปทาที่ให้เข้าถึงบรมธรรมนั่นแหละเรียวกว่าปารมีติทัศน์ก็คือ30ทุน่นตโยทัะเพราะเป็นทิคุเขาเรียกว่าทิคุสมาร ท่านที่บายบา ร, รมีสามสิบทัสคำว่าอนุปเมเเนี่ยอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้คือล่วงพ้นข้ออุปมาล่วงพ้นข้ออุปมาได้แก่เว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่จะเป็นเช่นนั้นเช่นในสีให้ศีรษะเป็นทานเนี่ยถามว่าใครทำได้นะให้ศีรษะเป็นทานเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงสละแม้แทลเลือดเนี่ย แม้แต่ชีวิตแม้สละอวัยวะควักดวงตาให้มากกว่ากว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะคิดกันยังไงในข้อ น, นี้ใช่ไหมหลายหลายท่านคิดไม่ถึงคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดแล้วมันไม่ไหวใจมันไม่ใจมันไม่น้อมที่จะเชื่อเขาเรียกมันมันไม่มันเกินวิสัยทิงปุรุชนอย่างเราท่านทั้งหลายที่มีความรักมีความหวงแหนเนี่ยมีความยึดติดในสรีร่ะเพราะเห็นอะไรเพราะเห็นตามเป็นของเราไปซะแล้ว เราเนี่มันมีสัคยะทิถีเต็มไปหมดนั้นเราจะควักตาให้ใครนั้นไม่กล้าหลอกทีนี้เราเอามิจฉาทิถีของเราไปย่างดูสรรพยุติยานมันยังไม่เห็นนั่นจะแปลกใจว่าในกรณีที่เราท่านทั้งหลายเราไม่เห็นเลยอ่ะอธิบายกันได้สอนกันได้แต่ว่าจะให้เห็นจะให้ปรงใจเชื่ออย่างสนิทใจเนี่ยมันไม่ถึงบางท่านนั้นไม่ถึงยิงยงิจะไปถึงได้ยังไงเพราะท่านเอาใจของท่านเป็นประมาณท่านเอาปุรุชนเป็นประมาณไม่ท่านไม่ เพราะท่านไม่เคยสละหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าก็ในชีวิตของท่านท่านไม่เคยจเจริญวิปัสนาได้เลยเขาจะยังท่านไม่เคยละสกัยยะทิฏฐิได้แม้แต่น้อยนิดเลยเนี่ยท่านจะตัดหูตัดจมูกตัดลิ้นให้เนี่ยหรือจะตัดแขนให้จะควักดวงใจให้เนยนะที่จะสละเลือดให้สละเนื้อให้เนี่ยมันเกินประมาณกับคนที่ไม่กล้าสละเพราะเขายึดมั่นว่านันตานี่มันของเราใช่ไหม ตานมันคือตาเราเนี่ยตามเรายึดยังไงอะ่ะยึดตายึดไงจากครู菩萨เนี่ยยึดยังไงเราเรายึดในฐานะสี่ลองมาฐานทาให้ฟางทีใช่ไอาจากขครู菩萨นั่นเป็นอะไรจากขประู菩萨กับเรานี่เป็นอันเดียวกันใช่ไหมเออจากครู菩萨ไม่ว่าจะสัมภารธจักขูหรือตัวจักขู่ก็แล้วแต่เหอะถ้าจากขครู菩萨ก็คือนั่นแหละความใส่ที่สามารถรับรูปารมณ์ได้ สสารพารจาจักที่รวมเป็นประเภทที่ว่าดินน้ําไปลมสีกิ่รดโอชาธาตชีวิตรูปแล้วก็ตัว จ, กศศจกักรพรรดิเนี่ยจักขคุทัสกัตตราวแล้วก็รวมขยายมาเยอะดินน้ําไปลมที่เกิดจากกรรมที่เกิดจากจิตที่เกิดจากอุตุแล้วก็ที่เกิดจากอาหารที่รวมมาเป็นยวงตาทั้งหมดนั่นแหละก้อนเนื้อตาทั้งหมดนั่นแหละขนาดเท่าไข่ไก่นั่นแหละในขณะที่จะมีใครท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่จะควักออกห้อยออกมาจะให้ได้เนี่ยมันเราคิดไม่ถึงหรอก แต่ที่ไหนได้เราลืมคิดถึงท่านผู้ที่พิจารณาจนได้นามว่ารูปปริเฉทยานปัจจะยปริกหายานสัมมาสนญาณอุทยาพยาญานอาทีนวายานินพิทายานมุนจิตุกรรมยาตายานปฏิสังขายานจนถึงสังขารุเปก ข, ขายานแล้วถ้าท่านเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านจะมีความอะไรไหมท่านไม่อะไรหรอกเพราะเห็นว่ามันเป็นทานบารมีของท่าน เนีเรามันคิดไม่ได้เพราะวิปัสนาญาณข้อแรกมันยังไม่เคยเกิดเลยใช่ไหมกวิปัสนาญาณข้อแรกมันทำลายสักยะทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนออกได้อันนี้ความเป็นตัวเป็นตนของเรามันเหนียวหนึบมันหลายวาเลยนะหลายชั่วบุรุษเลยอะมันลึกมากใช่ไหม เราไม่เคยสะสารความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในกรรมวรสันดานของเราท่านทั้งหลายเลยเนี่ยแล้วมันขุดมิจฉาทิฏฐินี้ไม่ออกเนี่ยในที่สุดจริงๆเราศึกษาวัฒนธรรมของบุคคลมศ า, ศาสดาศึกษาไปศึกษาไปในที่จริงๆก็เอาความเห็นตัวเองไปแทรกไแจ้งอยู่นั่นแหละมันไม่เคยศึกษาไปตามพระธรรมคําสอนสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตนเองมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกมันคิดไม่ถึงมันคิดไม่ทะลุทะลวง มันไม่สามารถจะแหวกม่านของมิจฉาทิฐีไม่สามารถที่จะฝ่าด่านของโรคชัดคือมิจฉาทิฐิไม่สามารถจะป็นขึ้นจะเหวคือมิจฉาทิฐีไม่สามารถจะฝ่าดงกันดานคือมิจฉาทิฐิไม่สามารถที่จะฝ่าเร้่องโรกชัดคือทิถีเป็นต้นนะมันฝ่าออกมาไม่ได้มันก็เลยใช้มิจฉาทิถีคิดพอคิดกันมาแล้วมันก็ไม่ศรัทธาหรอกมันจะมีศรัทธาประเภทที่ว่าอะไรมิจฉาทิโม่มันก็ได้แค่ศรัทธาเทียมมือ มันไม่ได้ศรัทธาแท้สัทีเลยอ่ะเมื่อไรเนาะศรัทธาแท้แท้จะเกิดขึ้นในกมลและสันดานของเราท่านทั้งหลายใช่ไหมถ้าศรัทธาแท้แท้เกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความใสเป็นความบริสุทธิ์เหมือนกับแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิที่จุมลงในน้ําที่มันเป็นโคลนเป็นเป็นตมเป็นโคลนเนี่ยเพราะแกว่งเข้าไปแล้วมันจะใสเลยเน่ะทําให้โคลนทําให้ตะกรนต่างๆนั้นเป็นนอนก้นหมดแล้วจอกก็ดี สาหลายเป็นต้นก็ดีมันก็จะหายกระจายไปมันจะเหลือแต่ความใสไหยเมื่อไหรนะใจของเรามันจะใสอย่างนั้นเนี่ยถ้าใสอย่างนั้นดีลองไปกลับดูคุณของพระเจ้าแต่นี้มันจะเชื่ออย่างที่ไม่นะเพราะมันรู้อะไรตัวนี้โอ้ยนเพราะอย่างนี้เองเพราะอใจของเรานี่มันมีม่านตาเยอะมากมันก็มองไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาอย่าแปลกใจนะท่านยังหลายอย่าท้อถ้าคิดแล้วมันไม่เห็นคิดแล้วมันไม่ออก คิดแล้วมันก็นั่งได้แค่นเนี้ยนะเดินวนวนวนวน ว, นวนอยู่มันก็ไม่เห็นคุณของพระบรมศ า, ศาสดานเนี่ยอย่าไปท้อสักวันหนึ่งให้คิดอย่างนั้นวันหนึ่งเยเราจะต้องได้ศรัทธาที่แท้จริงเราจะฝ่าฟันในโลกชัดพือทิฐทีเนี่ยนําศรัทธามาเป็นเพื่อนให้ได้เราจะพยายามขาจัดอิมิจฉาทิถีออกไปขจัดตัญหาออกไป เราจะไม่คบกับตัณหาอีกแล้วเราจะคบกับศรัทธาที่มีตถาคตาโพธิศรัทธา น, นี่นะเราตั้งอย่างนี้จริงๆดิมันจะไปได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมเพราะตอนนี้อเราพูดๆไปมันมืดใช่ไหมมันมองไม่เห็นมันเอื้อมไม่ถึงมันเกินวิสัยไม่แปลกใจหรอกเราก็คือบุรุษขี้ขาบคนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ที่พอโคก็พาลานาว่าแม่น้ำหมหาสมุทรมันลึกมากกว้างมากบอกเอาที่ไปตักน้ํามา เราก็มีตะกร้าเล็กๆแล้วก็มีฉลอมเล็กๆแล้วก็มีกระแป้งเล็กๆเนี่ยไอ้สายเชือกมันก็หูสั้นๆเนี่ยนะมันไม่กล้ามันกลัวมันบุรุษขี้ขาดแต่คนที่เขามีศรัทธาเขาไม่ขี้ขาดนะเขาไม่ใช่เป็นบุรุษขี้ขาดนะเขากล้าจะตัดได้สนิดหน่อยเขก็ตักคือตักเอาคุณของพระเจ้าสักนิดมาใส่ห้องหัวใจเขาเขเอาใช่ไหมใช่ขอมันลาดร้สักนิดหน่อย ขนาดเท่าท้องเมล็ดพันธุ์พักกาศเขาเขาเอาใช่ไหมเพราะมันชุ่มชําในด้านของพุทธคุณเถอะถ้าเขาได้พุทธคุณได้ศรัทธาในพุทธคุณได้แล้วเขาจะหวังอะไรเละจะหวังนะปัจเจกกับโพธิญาณ ส, สัมมาปัณฑโพธิญาณหรือสาวกับโพธิญาณเขาหวังได้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะมันหวังไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ศรัทธาที่แท้ จ, จริงในคุณของพระเจ้าเลยมันจะหวังไม่ได้เลยนะในที่สุดจริงๆมันก็ออกนอกลูก่นอกทางมันก็เป็นมิจฉาทิโม่มันก็เป็นศรัทธาเทียม แลมันไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดเพราะสัตตาบริจ้าเดี๋ยวมันต้องมีเครื่องลอนะ่อแล้วทั้งนั้นไม่ไปหรอกถ้ามีเครื่องร่อเ น, นี่ยมันถึงจะไปเห็นไหมเพราะมันเป็นสัตตาเทียมมันไม่ใช่สัตตาแท้ถ้าสัตตาแท้มันต้องไม่ต้องมีเครื่องร่ออะไรเลขอมีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนข้าพรเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมือง ส, สู่เมืองเลยอะมันจะไปอย่างนั้นมองเห็นไหมเข้าใจตัวเองแคอย่างอย่างเนี้ยต้องเรียนรู้เขาให้ดีเนี่ยนิจารณีทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ สตาฟเขาไม่ฉาทิฏฐิเนี่ยมันถ้าเรารู้จักเขาจริงๆแล้วเราจะรู้จากว่าโอ้โหเขาเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมมองไม่เห็นคุณเลยใช่ไหมมืดแปดด้านเลยใช่ไหมมืดไหมเอาจริงๆมองยากไหมคุณของพุทเจ้า ตรงนี้นี่แหละก็เรียกว่าโพธิโพธิปักกียธรรมเมในเนโพธิปักกียธรรมนันน่นวิเคราะห์บอกว่าอริยมรรคทั้ง4ี่โสดาปฏิมาสกาธาคามีมากรนาคาเมกอรดธรรมกริโพธิอีกอย่างหนึ่งนีบุคคลย่อมตัดสู้เพราะเหตุนั้นน่ยบุคคลนั้นเชื่อโพธิคือผู้ผู้จะตัดสูด้ได้แก่พระพุทธเจ้า ทำทั้งหลายมีฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตัดสรุปเขาเรียกโพธิปักคียถามว่าทำเหล่าไหนาก็โพธิปักคีย์ทำามสิเจ็ประการสติปทาน 4, สี่ไงสมปัติทานสี่ทิบาทสี่สียห้าพระห้าโคงเจ็ดอริยมรรคองมีองแปดบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นบำเพ็ญยังไงทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมีธานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีไหม ปัญญาบารมีวิริยะขันติสาจาัจจะอธิฐานเมตตาและบีขาอุป ป, ร ป, รปราป ร, มรมี ส, มสิปรมิษาบารมี10บารมี30ทัศน์นี่แหละที่ยังอริยมรรคให้สําเร็จและโพธิปัจญาทำซ้ำสิประการนั่นะที่บ่มบ่มอะไรบ่มโพธิญาณอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างสมบูรณ์นะปตะวาทรงบรรลุทรงบรรลุด้วยพยานนะโพธิงพระโพธิญาณนนะั้นก็คือมรรคญาณทั้งสี่ คำว่าวิสุทธังก็คืออันบริสุทธิ์เนี่ยนะคือเว้นจากมณทินเว้นจาร า, ราคาเนะี่ยเป็นมณทินโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจิขาหีไยกาโนตปาอุตจาร์ในนี้เป็นมณฑินเนอะเป็นมณทินเนะอะอริยมรรคนั้นน ะ, นะจารมณทินเหล่านี้แหละสากละคุณทะทั้งทางที่ให้พระคุณทั้งสิน้นท่านอธิบายบอกว่าพระโพธิญาณอันบริสุทธิ์นะั้นน่ะอันให้พุทธคุณทั้งสิน้น อะไรบ้างอ่ะอภินยาหกอสาธาณายานหกพุทธายันิบสี่เวนี่กระทำสิบแปดแล้วก็ทศพลายานสิบเวศรัชายาน 4. สี่ส่วนเศรษฐภูตโตติโลกเกทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกสามติโล ก, กังกันแหคือโลกสามพระพุทธเจ้านั้นทรงประเสริฐในไหนสังขาและโลกสัตวโลกแล้วก็โอกาสโลก พระพุทธเจาะเสริของโลกสามไหมสังขารและโลกมีสังขารไหนบ้างในแสนโกดจักรวาลหรือยิ่งกว่านั้นใช่ไหมที่จับเอาแค่พระรูปเนี่ยเอาพระรูปในแสนนาสัตว์ในแสนโกจักรวาลเลยเอารูปเวทนาสัญญาสังขารมียานงนูนสัตว์ในแสนโกจักรวาลเนี่ยมาเทียบพระรู ป, ปรกายของพรุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยวิธีคิด อ๋สัตวโลกที่ในแสนกอจักรวาลทั้งเส้นเนี่ยมาเทียบที่สัมมาสัมโพธิตั้งแต่เป็นสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็เป็นเป็นพระโพธที่สัตว์ก็หาบุคคลเทียบไม่ได้อยู่แล้วเ น, นี่ยพระพูทธเจ้าเนีเป็นใหญ่ในโลกสามกามาวาจรรูปาวาจรและรูปาวาจรกัตวาทรงกระทำแล้วกระทำสําเร็จหรือยังสําเร็จแล้วทักษะอันตังที่สุดแห่งทุก อะไรคือที่สุดแห่งทุกข์คือทรงส่วนปลายแห่งทุกข์ในวัตถ์ทั้งสิ้นตัดวัตถุทุกได้ใช่ไหมตัดวัตถุทุกได้อะไรคือส่วนปลายแห่งวัตถุทุกทั้งสิ้นที่สุดแห่งวัตถุทุกคืออะไรเอออนุปาทาบริณีพานนั่นแหละเขาเรียกว่าส่วนปลายนะที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งทุกคืออนุปาทาบริณีพานคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือ ถามว่าอนุปาทาปณพธานมีการอุบัติเกิดขึ้นอีกไหมไม่มีการอุบัติอีกให้สําเร็จแล้วท่านจึงใช้คําบอกว่าถึงที่สุดแห่งทุกตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเป็นเป็นบุคคลที่น่าน่าศรัทธาน่าเคารพน่าสรรเสริญน่าบูชากะตะสุภะชนะตังมูชนผู้กระทำกรรมงามไว้ได้แก่ประชุมชนผู้ได้กระทําบุญไว้แล้วในสํานักของพุทธเจ้าในปางก่อนอู ใครที่เคยทำบุญไว้ในพระเจ้าฟังก่อนนุ่พรเจ้าก็มาต่อยอดตุกบุคลเหล่านั้นแหละตอนสมัยพนันปฐุมุตตะสัมมาสมัส ม, ส ม, สมพุทธเจ้าท่านแผ่ขายพระญาณแล้วแสดงธรรมไปนู้นเน่ครอบคุม ย, ยันยันใช่ไหมประชุมสงครั้งแรก น, นี่แสนโกรธหูแสนโกรธกินจักขวาลไปเยอะเลยอะ ฉะนั้นขายพยานในการแสดงธรรมเลยนแสงแสงพระธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นแผ่แล้วจะมีกว้างยันแสนโกลจักรวาลเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์ทําได้หมดหละทําอย่างนั้นแหละแล้ไปหลับอยู่ตรงไหนใช่ไหมไม่เห็นขายพยานของท่านแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าในปางก่อนทุก ขาโตโมโจะยิฐะทรงเปลื่องออกจากทุกข์แล้วทรงเปลื่องออกจากทุกข์แล้วทรงเปลื่องออกจากทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์เปลืองทําไมอเป็นโ ว, วหารเนี่ยคำว่าทุกข์นี่คือพระองค์เปลืองอะไรทุกข์เป็นชื่อของขันห้าเนีเปลืองทุกข์ก็เป็นชื่อของอนุ ป, ปาทานปีนิพพานถ้าไม่ขันนั้นน่ะเข้าถึงอนุ ป, ปาทานปีนิพพาน เราเชื่อพุทธเจ้าอย่างสนิทใจยเยในอดีตนี่นะป่านนี้ไม่มีการนั่งประชุมขันกันตรงนี้เนี่ยโทษของการไม่เชื่อวิจิกิจฉาในพุทธบุญตรงนี้ก็คือต้องการจะชี้คุณของพุทธเจ้าให้ทราบนีว่าเมื่อเรารู้คุณของพระบรมศาสดาอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้านั้นทรงพระองค์นั้นทรงกงระทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงทำมรที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่เกิดพร้อมแต่บอกมรที่ยังไม่ไม่มีใครตัดรู้จักมรแล้วก็รู้แจ้งมรฉลาดในมรเลยแล้วก็สาวกทั้งหลายของผู้ได้เจ้าผู้ดาเนินไปตามมรอยู่ในบัดนี้จะเป็นผู้เพียบพร้อมในภายหลังอันนั้นก็หมายความบอกว่าพราะองค์นั้นน่ยรู้ธรรมที่ควรรู้เห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีพระจักรสูตมีพระญาณทรงมีธรรมทรงมีอัฏฐะเนาะทรงเป็นดุดพรรัะธรหมตรัส บ, บอกทรง นำความหมายออกไปทรงประธานนมตตธรรมเป็นเจ้าของเองื่อธรรมเป็นพระทธกัณฐสิ่งที่พระบระมาศาสดาไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทําให้แจ้งไม่ทรงได้สัมผัสด้วยพระญานนั้นไม่มีเลยนี่นะอันนี้เราก็จะเห็นโอ้พุทธเจ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็คือตรงนี้จะสรุปในเรื่องของตรงนี้ให้ฟังว่าเออทำไม การเจริญสัมมาทิฏฐิที่เป็นในส่วนของวิปัสสนานั้นน่ะหลายๆท่านติดขัดถ้าเราฟังวันนี้แล้วเราไปขยายความเข้าใจเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ติดขัดไม่ติดขัดก็คือว่าให้สังเกตว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยต้องสรุปเป็นถ้าไปคิดเองนั่งสรุปเนี่ยแลต้องอาศัยอาศัยจาก คำสอนต่างๆแล้วก็ต้องพยายามวิเคราะห์ดูแล้วเราจะเห็นว่าพราะองค์สรุปในเรื่องมุมมุมการปฏิบัติอย่างไรแล้วมันจะได้มันจะได้เข้าใจแล้วต่อไปมันจะเป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดมากเรื่องการปฏิบัติถ้าศึกษาเรื่องทิฏฐิเข้าใจนะเรื่องการปฏิบัตินี่นะก็ถือว่าเปิดประตูช่องนี้ได้เลยเ <Okay. S 1> หลือแต่เพียงว่าลงมือไข้ควนยังไงทําให้ติดต่ อ, อยังไงพราะเขาประโคะมยังไงให้เกิดขึ้นเท่านั้นเอง ทีนี้ตรงนี้ให้สังเกตุไหมเมื่อช้าที่พูดเขาไว้ก็หวังว่าเอจะมีใครเอะใจถามออกมาไหมไม่มีเออไม่มีเหมือนกันก็อบอกเออเอแต่ะมาคือต้องการอยากให้เอะใจสังเกตไหยายาอจะมาจะย้ำมาเลยจะย้ําคําว่าในส่วนของมิจฉาทิฐิทั้งหลายที่เอาในทิฐิกระถาเมื่อกล่าวเนี่ย ในทิฏีกถาที่กล่าวเกี่ยวในเรื่องของในคำพีเกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิที่บอกว่าทิฏฐินั้นนั่นของเราอะนั่นของเราเนี่ยที่บอกว่าปุพันตานนทิฏฐิเป็นทิฏฐิสิบแปดทิฏฐิออันนั้นหมายความว่าตามถือขันส่วนอดีต ที่พอตามถือขันส่วนอดีตก็ไปดูใช่ไหมไปดูในส่วนของขันส่วนอดีตมีปุบพันตาปุบพันตะกับปิกาทิฐิคือทิฐิที่ฟารอบส่วนต้นส่วนเบื้องต้นนั้นมีอยู่หกลุ่มในหกลุ่มนี้มีอยู่18บแปดทิถีมีสัตสตาสัตตาวาทะหรือสัตสตาทิถีเอกจจาสัตสตาวาทะก็คือเอกจจาสัตสตาทิฐีนั่นแหละอันตานันติกาวาทะก็คืออันตานันติกาทิฐิ อมราวิเขปาวาทะแล้วก็อาทิตย์จ่าสมุปันนาวาทะนี่ห้ากลุ่มในห้ากลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มสัสตาวาทะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเที่ยงเห็นหนี่ยอะไรเที่ยงเห็นว่าอัตตาเนี่ยตัวตนเนี่ยแล้วก็เห็นว่าโลกในเที่ยงเห็นไหมเห็นตัวอัตตาเที่ยงด้วยแล้วก็เห็นตัวโลกเที่ยงด้วยนี่เพราะอะไรถึงเห็นว่าเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึงแสนชาตินี่เข้าใจย่างระลึกชาติเดียวได้จนถึงแสนชาติสองเห็นตัวตนเห็นอัตตาและโลกเที่ยงเห็นเห็นเห็นอัตตาและโลกเที่ยงคือในความ <of> เห็นอัตตายและโลกอันนี้แยกกันนะเห็นอัตาา 1, 1, 1, 20, ต, ต, อตาและโลกเที่ยงเนี่ยนะนี่ระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งกับไปจนถึงสิบกับประการที่สามเห็นตัวตนอัตตาและโลกเที่ยงเห็นอัตเห็นตัวตนและโลกเที่ยงอีกเหมือนกันนี่ราะลึกได้ตั้งแต่สิกลับไปจนถึงสี่สิบกับประการที่สี่กลุ่มที่คาดคะเนตามเหตุผลตัวตนอัตตาและโลกเที่ยงพวกนี้นักคิดคิดจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่นะในกลุ่มทั้งสี่ประการนี้ยระลึกได้สูงสุดสี่สิบกับถามว่าความเห็นผิดเนี่ย วิ่งไปในอดีตไกลไหม40กับนี่ไกลไหมไกลยานไปแค่ไหนก็ไปแค่นั้นแหละประการที่สองนี่สังเกตกันไว้นะเอากาจาศตดาวาท้าเห็นว่าบางอย่างเที่ยงเห็นในภาพรมที่กล่าวไหมถพรทมเนะี่ยเที่ยง แต่พวกที่เกิดมาที่หลังพระพรหมที่ตนเองสร้างขึ <the> <lesson> <Un> <és> <the> ้นมานะไม่เที่ยงนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเทวดาพวกอื่นเที่ยงแต่พวกที่จุติพราชอบเล่นนะไม่เที่ยงคือพวชอบสนุกสนานนะไม่เที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งเทวดาพวกอื่นเที่ยงแต่พวกที่จุติพราะคิดล้ายคือพวกโทสะนะไม่เที่ยงและกลุ่มที่สี่ก็พวกคาดคเนนี่ก็เห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็เรียกเอกจ่าสัสตะทิฏฐิประการต่อมา อันตานั้นที่กะวาทะเห็นว่าโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกไม่มีโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดแล้วก็โลกที่สุดเฉพาะด้านบนนะกับด้านล่างแล้วก็เฉพาะด้านกว้างกับด้านฝวางและกลุ่มคาดธานีกลุ่มนี้ที่เขาเห็นอย่างนี้เพราะอะไรอำนาจของอำนาจของฌานอำนาจของเกี่ยวกับในเรื่องของปฏิภักษานิเวศของเขาบางคนเนี่ยสามารถแผ่ไปด้านไหน ก็เห็นเฉพาะด้านนั้นมีที่สุดอีกด้านนี้คิดไม่ได้ไงนะเป็นต้นแล้วก็กลุ่มอมราวิเชปาวาทะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มแกล้งเกรงว่าจะพูดเท็จก็ปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นต้นเหล่านี้นะและอีกกลุ่มหนึ่งคืออาทิตย์จ่าสมุปัปนาวาทะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพวกเนี้ยพวกอเหตุการเนี่ยนะเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเพราะเคยเกิดเป็นอสัญญาสักมา แล้วกลุ่มคาถาเนีด้วยเหตุผลตามสิ่งต่างๆก็เลยเข้าใจอย่างนั้นเลยนี่ครบสิบแปดถามว่าทำไมทาไมทรงแสดงทิฏฐิหกสิบสองไว้เข้าใจไหมเอ้สิบแปดนี่แสดงไว้เพื่อเห็นไหมว่าวิปัสสนาญาณ น, นี่แหละทำไมวิปัสสนาญาณจริงต้องรั้วดิต เขาใช่ยังทำไมวิปัสนาญาณจริงต้องปรรบอดีตถ้าไม่สามารถทําให้ปรรบอดีเนะี้ยจะละทิศถีประเภทปุปพันตาปรันตะไม่ได้ไม่ได้เด็กค่ะนั้นต้องชำระความเห็นในอดีตด้วยเพราะท่านทั้งหลายเคยเกิดมาเคยยึดติดมาถึงแม้ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของนักคาดนักคิดนักคณีนักเพ้อฝันนี่แหละ แล้ในที่จริงๆก็เอายันได้แหละปุพันตะกอภิกะทิฏฐิเนี่ยกทงนี้นี่แหละทำไมบอกว่าวิปัสสนาญาณจริงต้องเป็นไปในสามการเพราะเป็นไปเพื่อจะชำระอะไรถามว่าโกชัดคืออะไรใช่มเส้นนามคือทิฏฐิเหวคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิใช่ไหถามว่าแล้วอรตถาฌา์ที่ท่านอุปมาว่า วิปัสนาที่เป็นปูเรจาริกเนี่ยเหมือนกับคนถางป่าเพราะฉะั้นยังเดี๋ยวนี้ถางป่าถางโพงถางรกถางไม้ต่างๆตัดหญ้าต่างๆมากองไว้ไฟสุมขึ้นก็ตัดใหม่ตัดเบเสร็จก็ไปสุมจะได้เอาข้าวกล้าลงนั่นคืออะไรเพราะในอดีตที่ผ่านมามันรกชัดเต็มไปหมดแล้วฉะนั้นต้องสาสางอารมณ์ในอดีตด้วย ทิฏฐิที่เคยยึดในอดีต ด, ด้วยแล้วแต่ปลารบส่วนขันในอดีตเป็นต้นด้วยเพราะทิฏฐิมันมีแล้ววิปัสนาญาณไม่ยอมเอื้อมไปถางเนี่ยนี่เข้าใจอยังว่าทำไมถึงทรงสแสดงอย่างนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทรงสแสดงไว้บอกว่าอปรันตานนทิฏฐิ สี่สิบสี่ทิฏฐิที่ถือตามขันส่วนอนาคตบวกนั่นเป็นตัวตนของเราใช่ไหมเออขออภัยว่มไม่ใช่นั้น<ร>คือว่ า, า, าไม่ใช่นั้นคือสีอ네่สิบสี่เนี่ยก็เรียกอปรันตาเนี่ยอปรันตานุอปรันตานุทิฏฐิมีสีสิบสี่อันนั้นคือทิฏฐิที่ปรียบส่วนของอนาคตคือคืออะไรบ้างอะ่ะ ก็คือสัญญีวาทะอสัญญีวาทะนี่ว่าสัญญีนาสัญญีวาทะอุเฉทวาทะแล้วก็ทิฏฐธรรมะนิพพานเห็นไหมในส่วนของอุเฉทวาทะเนี่ยท่านไม่เอาอาดีตเลยท่านเอาอนาคตนี่เห็นหรือยังว่าทําไมต้องปารบอนาคตวิปัสสนาญาณทําไมต้องปารบในส่วนของสัญญีวาทะเนี่ยความเห็นว่าหลังตายแล้วอัตตามีสัญญาสิหโกเพื่อ อัตตามีรูกย่งยืนมีสัญญาเป็นต้นว่าไปอสัญญีวาท่าเนี่ยความเห็นหลังจากตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญาแปดประเภทเนวสัญญีนาศจ ญ, ญีวาท่ก็คือเห็นว่าหลังตายแล้วอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั้นอีกแปดประเภทอุเฉตวาท่เห็นว่าขาดศูนอีกเจ็ดประเภทไอ้ตัวนี้เห็นทวิปัศนายานก็ไม่ถามความเห็นเหล่านี้ในอนาคตเนีเสียเลย ทนี้ทิฏฐาธรร ม, มานิพานธนี่ความเห็นสภาวะบางอย่างเป็นนิพานในปัจจุบันนี่ไปเข้าใจผิดอีกละอย่าลืมนะในปัจจุบันเนี่ยท่านในจำร้าขันในปัจจุบันด้วยใช่ไหมเพราะไอความเห็นหนักๆในปัจจุบันเนี่ยเดี๋วไปเข้าใจก ร, รมะคุณเป็นนิพานธ์ซะอีกไปเข้าใจวันนี้ปฐมฌานทุติตยฌานตติฌานเจตุตฌานนู้นแหละ 9, 9, เกาวกาวสี่ก็ไว้แต่มันยันน่ะลูกประชานนั่นแหละเดีย๋ยวจะไปเข้าใจเป็นนิพานเห็นไหม วิปัสสนาญาณต้องสะสางทิฏฐีเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันพอหรือยังหลังจากสะสารทิฏฐีใหญ่ๆนี้เบ็เสร็จแล้วพระองค์แสดงอะไรอีกสักกายทิฏฐิหรืออัตตาทิฏฐี 20. อีก20่บอ่บอกว่าสักกายทิฏฐียีนี่แหละมันเป็นประธานของมิจฉาทิฏฐีหิบสที่เรามาเรียนเรื่องรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปเนี่ย เข้าใจหรือยังแต่เนี้ยทีนี้พอเข้าใจตรงนี้เอาจะสอนวิธีการเชื่อมโยงสูตรเห็นไหมเชื่อมโยงสูตรจะได้ต่อไปมาจะไดไม่หนักใหญ่เห็นไหมต่อไปพวกเขาจะไปช่วยเป็นขยายพรไปทำของพระเจ้าทีนี้เอายกตัวอย่างเช่นอารตีตังนานวากระเมยานปฏีกังทีานากระังยัตตีตามิไม้มในสูตรเนี้ยพรเอิญไม่ได้มีบาลีอยู่ในตัวเนี้ย ไม่มีบาลีอยู่ในตัวเดี๋ยวขอยกตรงนี้ก่อนดีกว่ายกเป็นภาษาไทยปรเดี๋ยวไม่ได้ฉบับบาลีมาจำภาษาบาลีไม่ได้นะอเอาในเอาในอัตรกรถามาแล้วเดี๋ยวขยายให้ดูที่เคยเออบอกไปบ่อยๆนนี้ น, นี่เอาที่ว่าพราะพุทธองค์ทรงสอนสันตติมหามาย ไอมาจามบลีไม่ได้นะบอกว่าโพริรยาตรัสบอกแกสันตติมหาหมาดว่าเธอจงทํากิเลสที่ปารลบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปเอาเลยเห็นไหมเธอจงทํากิเลสที่ปารลบสังขารในส่วนเบื้องต้นก็คือปารลบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นแหละนะสังขารในส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็คือสังขานที่ แต่ก่อนนั้นสังขารของเธอนั้นถูกอะไรบารอบอยู่ปุพันตะกับปิกาทิฏียึดไว้ไอความเห็นผิดเพราะทิฏีเหล่านี้ที่ลูกคำทิฏทีเหล่านี้ที่เขาไวลูกคำเขาไว้เนี่ยเธอจงทากิเลสมีมิจฉาทิฏีเป็นต้นนั่นแหละที่มันไปคุมใช่มสังขารเหล่านั้นในอดีตให้เหือดแห้งไปเสีย ให้เหือแท้งไปเสียใช้วิปัสสนาญาณนี่แหละไปถางความเข้าใจผิดที่เคยที่ปาลบในส่วนอดีตทั้งหมดนะ่ะให้เหือแท้งไปเอาสมาทิฏฐิไปทํากิจแทนแต่แต่ก่อนมิจฉาทิฏฐิมันมันครอบนำ ม, มาอย่างยาวนานยังไหมนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมว่าคาถาเนี่ยและกิเลสเครื่องกังวลที่ปาลบสังขารในส่วนภายหลังนี่แปลว่าอะไรอนาโขใช่ไหมอปรันตะ นี่คือกลุ่มอปรานตะพวกอปรานตากาบิกาทิถิคือทิถิที่ปาราลบส่วนเบื้องปลายตรงนี้ก็ต้องจัดการกับทิถีที่ปาราลบในส่วนเบื้องปลายด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางเห็นไหมทั้งทิฏฐธรรมนิพานในี่ทิถีประเภทยนี้ด้วย ที่เป็นไปในปัจจุบันดูเดี๋ยวไปเข้าใจกรรมคุณบ้างนะฉะนั้นต้องชําระหมดเลยเห็นไหมถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเจอคาถาใดก็แล้วแต่นี่นะที่กล่าวในลักษณะอย่างเนี้ยก็เอาทิฏฐิทั้งสามการนี่ที่เป็นไปในส่วนของปกพันตา ก, กัิกาทิฏฐิอัปรันตา ก, กัิกาทิฏฐิในส่วนเบื้องต้นกับส่วนเบื้องปลาย แล้วก็กลุ่มในของทิฏฐาธรรมนิพพานก็หมายความว่าทิฏฐิที่เห็นว่ากามคุณเป็นนิพพานปฐมฌานเป็นต้นเปิณนนพานิพพานเป็นต้นตลอดถึงสักยทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบแล้วก็อุเฉทวารธาทั้งหลายที่จะไปเห็นว่ามันจะขาดศูนย์เป็นต้นด้วยจะได้ขจัดได้ถูกต้องเห็นไหมว่าในในคาถาต่างๆหนเหล่านี้ย ท, ที่ท่านกล่าวมาอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าเชื่อมโยงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดขึ้นถ้างั้นเราจะทำไมถึงแปลกใจหมว่าพระพุทธเจ้าทำไมแสดงที่ที่62ฉะนั้นการที่องค์ทรงสแสดงที่ที่62นั้นก็ต้องการที่อยากจะให้เห็นว่าอดีตต้องวิจัยนะอนาคตต้องวิจัยนะปัจจุบันต้องวิจัยในการละ นั้นการเจริญที่ว่าวิปั ส, สนาเนี่ยที่เป็นวิปั ส, สนาปุเราจาริสเนี่ยต้องจัดการถามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนั้นถ้าหากว่าเรียนคำสอนแล้วสรุปตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาเลยเขาเ้าใจใช่ไหมแต่เนี่ยย่าแปลกใจว่าทำไมตามจัดนักต่างๆยึงเถียงกันเรื่องตรงนี้ไม่ลงสักทีเพราะไม่เอาสูตรเหล่านี้มาจัด แล้วก็ไปสําคัญว่าโอ้การสอนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่การปฏิบัติเขาฟังพรหมชาราสูตรบรรลุกันได้เยอะแยะใช่ไหมแต่เราไม่เคยเอาพรหมชาราสูตรนี้ไปสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าสอนในกนําหนดขันที่เป็นไปในการสารอย่างนี้เพื่อจชะชาระธาตุไอสาสารวิชาทิ ถ, ถีทั้งหลายที่ปารลในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายและส่วนท่ามกลางเนี่ย แล้วก็มีสักขยะที Thompson, ่ถีมีวัตถุ20เป็นประธานของที่ถีเหล่านั้นอย่างไรเป็นแกนหลักยังไงและเป็นลกชัดยังไงเป็นเหวอย่างไงเป็นกันดายยังไงเป็นความยุ่งยากยังไงเป็นเครื่องร้อยลัดยังไงเป็นสัโยชทธ์ยังไงใช่ไหมสิ่งต่างๆนี้ต้องถางถางตัวนี้ไม่ได้สดามาเกิดไม่ได้จะไปชุกมาร์กลงได้ยังไงเจ้าสวดาปมามร์ปักลงในกระแสขันท่าใดจะทำคุณได้ไงถ้าคุณไม่จัดการที่ถีเหล่าเนี้ไม่ใช่ไปรอยมาร์เกิดเองมาร์ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยการอ้อนวอน แต่มรรคเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทําด้วยการไข่ควรด้วยการวิจัยด้วยการด้วยการที่จะมาไข่ควรทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและต้องเข้าใจทิฏฐิให้ดีถ้าท่านทั้งหลายปราถนาจะบรรลุเนี่ยเพราะตัวนี้มันเป็นด่านแล้วถ้าให้เข้าใจวิชาทิฏฐิแล้วจะบรรลุอะไรจะเอาโสดาปริมาณปักลงในกระแสขันธาตุอายตนะอย่างไรโสดาปริมาณเหมือนข้าว สากาธาความมีมากอนาคตมีมากอะไรจะมากก็เหมือนกันเหมือนข้าวที่จะปักลงในนากระแสขันท่าและยุทธนะเหมือนนาแต่ตอนนี้นามันรกมันรกเต็มตไปด้วยทิศที่ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันมันไม่ได้ทางมันมีหญ้าเต็มไปหมดมันมีหนามเต็มไปหมดไม่กล้าจะเดินเข้าไปแล้วมันลงล้างไปหมดแล้ว เขไม่เคยถางมาอย่างยาวนานแล้วหลายหลายอัตราภาพแล้วเนี่ยแล้วก็จะมานั่งถากันอยู่กับปัจจุบันอยู่นี่แหละที่นามันลกหมดเนี่ยอดีตก็ลกอนาคตก็ดกปัจจุบันมันก็ลกแต่จะมาใช้มีดเล็กๆถาปัจจุบันปัจจุบันอยู่นี่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมมันไม่ไหวหรอกเข้าใจอย่างตัวเนี้ยทิศถีมันไปไกลแล้วจะมาพูดตลอดก็ไม่เอะใจใช่ไหม แม่มาเคยบอกพระหลายองค์นะมันไปไกลแล้วท่านอยู่มานั่งคุยตรงนี้มันไปไกลแล้วมันเล่นงานท่านถ้าจะ ง, งอมพระรามอยู่แล้วมา น, นั่งคุยปัจจุบันเนี่ยผมไม่ฟังกับท่านหรอกผมมัวเสียเวลาผมผมบอกว่าแค่นี้ผมก็หนักสาหัสการอยู่แล้วพวกผมเห็นโทษมันอยู่เข้าใจยังแต่เนี้ยแล้วไม่รู้เป็นยังไงเรียนพระธรรมกันก็ไม่ยอมบอกกันสักทีเนี่ ย, เ, ยเราก็นั่งคอยอยากจะให้พระเถระบอกนะ ไอ้เรก็ใจพระเด็กๆแต่ก่อนเนี่ยก็นั่งมองหน้าพระเถระไม่ยอมแต่ฌานพระธรรมกันก็นั่งอั้าอึงกันอยู่เนี่ยไม่ยอมบอกกันสักทีรู้ของดีแล้วเก็บเงียบแต่หนีทําแท้เรากันมาเป็นนึกเงียบนะบจริงเนี่ยไม่บอกแม้แต่ท่านพูดใช่ล้วก็สบายเราไม่ต้องมาพูดแล้วใช่ไหมก็มาให้เรลามันเหนื่อยพูดพูดใครเชื่อถือบุญก็น้อยเลยให้คนป่วยขึ้นมาลุกขึ้นมาพูดเนีดย เขาใจยางนดินจริงๆน่าจะพูดเกินว่าจริงๆคำสอนเป็นอย่างนี้นี่ปิดไว้ทำไมแหม่มไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ายกพระอาหารหันตสาวกมีท่านพระอาณนลนพระมหากระสอบเป็นต้นพระอพระมหากระสบเป็นประธาน ท่านยกสูตรนี้ขึ้นมาตั้งเพราะเห็นว่าเป็นความสำคัญว่าเป็นความสาคัญแต่ผู้ที่อธิบายต้องเชื่อมโยงที่มันเป็นปัญหาอนมาอธิบายมาหลายรอบแล้วมันเชื่อมไม่ได้คนฟังถ้าเชื่อมแล้วเขาจะปวดหัวี่ทำไงเขาใช้ยังถ้าเชื่อมไม่ได้ เวลาที่จะเชื่อมเนี่ยมันต้องร้อยเขาเข้าใจฐานมันนั่งคอยนอนคอยมันจะตายกระจากกันอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจอยังว่าแลวเราก็ดูดูจังหวะมันไม่ได้พูดไปใช่ไหมพูดมันถึงเวลาพูดไม่ล่ะมันก็ไม่ถึงนี่เป็นอย่างนี้มันแล้วแล้วมันมันต้องไปเชื่อมหลายที่นะดูเฉพาะคมราชาสูตรพอที่ไหนต้องดูในทิฏฐิกระถาแล้วพอที่ไหนไปดูในสังยุต ใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆว่ากันมาว่ากันมานี่ก็มาใช้นี่ก็อยางไรพูดก็ให้รู้ว่าจริงๆเป็นอย่างนี้จะได้เห็นว่าเออเนี่ยจริงๆในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนมาฟังก่อนมาเพราะเราไปไกลแล้วนั่งคิดอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องตรงนี้เสียเวลาด้วยคือให้รู้ไปแล้วกันว่ามันไม่ถูกกับประธรรมมันไม่ถูกในพระไ้รปิฎก เขาบอกไม่ถูกเขาไอวิโดก็จะให้หาหลักฐานนี่ใช่ไหมแล้วเอเราอธิบายไปเขาเขาเชื่อไม่ถึงเขาก็ปฏิสเสธอยู่ดีๆเขาต้องมานั่งฟังดีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใช่ไหมมันต้องมานั่งฟังค่อยๆนั่งไล่นะนู่นไปดูในมหาจัตตาริสกัสูตรที่ไปดูในสมาธิที่สูตรที่ไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ไปดูในพรหมชาลสูตรไปดูในปฏิสัมพิทามรรคที่ติกถาไปดูในวิสุทธิมรรค ไปดูในปฏิสัมพิธามาัคมาเชื่อมดูอมาเชื่อมดูจะเห็นออายกรรทำอวบมาใส่เลยแต่นี้มันจะเข้าหมดเลยแต่นี้เอายกสูตรไหนมาก็ได้แต่นี้ก็จะเชื่อมไปดูแจกแจะอธิบายดูจะเข้าสอดคล้คองยังไงไมก่ก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้ ค, คําสอนพระเจ้าตรงนี้นี่มองออกใี่ไหมนีแ่แต่แต่แต่ไปลุรายละเอียดดีแีแล้วจะเห็นนี่เป็นอย่างี้ ทิฏฐิมันทิฏฐิมีสามการมีสามการปุพันตะกับิกาทิฏฐิอัปรันตากับิกาทิฏฐิแล้วก็พวกเอทิฐาธรรมนิพพานพวก น, นี้ที่ทิฏฐิที่เป็นไปในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็พวกนี้แหละที่เป็นประธานขอทิฏฐิทั้งหลายก็สักยะทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบนี่แหละทุกอย่างนี่มันเชื่อมอย่างนี้ตั ว, วิปัสสนาญาณต้องถางทิฏฐิเหล่านี้ทั้งหมด ตามไปกาดถังไปมีอยู่ที่ไหนถังเก็บต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วก็จะเข้าใจคําสอนของพุทธเจ้าไม่ยากแล้วเด็กต่อไปเห็นไหมเวลาเราไปอ่านเนี่ยถ้าเรารู้รนะักเหนูที่ไปอ่านพระไตรปิฎก ง, ง, ง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นเลยเวลาไปอ่านไปอะไรต่า ง, งเราไปหยิบสูตรไหนอ่านก็จะเข้าใจไม่ยากแต่ก่อนจับอ่านนี้มันจะมืดใช่ไหม เน่ยเข้าอ่านแต่ต้องการมันเยอะไม่ก็อยากอ่านเพราะ่นจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ไม่สงสัยเลยเนาะไม่สงสัยผ่าน เติรต่อไปดูอาาัตตกะถาในบทนี้ในคราวที่จะพารณาตามลําดับแห่งทิฏฐิกถาที่กล่าวไว้ในลำดับแห่งญาณกถาเนะาะญาณกถาไม่เรียนเลยพวกเรานี่หวัวสูงกันเรียนทิฏฐิกถาเรียนทิฏฐิกถาเลยเราเรียกว่าเรียนรัดนะเนี่ยอายุมากแล้วไปเรียนตามลําดับนี้จะไม่ทันการแล้วมาเลยเป็นอาการเป็นความสับสนตอนนี้ คอออือยังไงรู้วหมสอบสวนยังไงรู้ไหมไอจะ้อนอะไรเป็นไปตามลำดับก็ไม่ได้หาคนติดตาเรียนไม่มีนะนี่นี่จริงนะลองจะไปนั่งเรียนกันไปตามลำดับเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็จะขออนุญาตตันหาออกมาได้ันี้ลำบากยากเหนือเกินไม่ใช่เร <c oughs> ียน <c oughs> ตามลาดับป่านี้ยังไม่ถึงอะไรเลยนั่นได้ใช่ไหแค่นี้เขารู้เลย คือคือคือในคาสอนเนี่ยเพราจริงๆเนี่ยเวลาพระท่านศึกษาท่านศึกษามาเต่างๆก็ใครจะศึกษายัางไงก็ไม่รู้ใช่ไหเพราะเขาท่นเข้าใจแล้วท่านก็อ่านขานั้นไปเรื่อยๆปฏิบัติกเกจรแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่านไปเรื่อยๆทีนี้พอไปไปมาทีบางคนเนี่ยอ่านมาตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยเอียด เขามาเห็นเยอะแล้วมานั่งคุยคุยอะไรมาก็ฟังฟังไปงั้นเนี่ยบางทีเขามาก็ไม่ได้ต้องการความเห็นของเาแสดงต้อง ก, ก, ก, การมาร ะ, ะ, ะบายก็ออาจจเยอะจัดเขาอยากระบายก็ระบายที่ใช่ไหมบางคนมานั่งระบายอะไมาฟังครึ่งวันมเขาฟังอะโอ้ดี ด, ดีก็ฟังไปคือบางคนมันมาแบบมีฟอร์มอ่ะไม่ได้ถอดทิฏฐิออกหรอกใช่ไหม เราก็รู้แล้วมีทิฏฐิแรงจ๋ามานมานะเป็นประธานบ้างตัณหาเป็นประธานบ้างทิฏฐิเป็นประธานบ้างมัวๆกันอยู่เนี่ยเนี่ยมัก็เออว้าวแล้วก็เราก็มาฟังฟังไปเสร็จก็เออก็บอกไปคุยด้วยแล้วไม่มีอะไรว่าโองนี้ไม่รู้เรื่องเขาว่าแต่มารว่าไม่รู้เรื่องไปคุยด้วยก็ไปนี้เนี้ยแต่คือเรารู้ว่าเอออะไรอมาเนี่ยเป็นคนมีปมอยู่อย่างหนึ่งไม่มีฐานบาลี ไม่มีวุฒิการศึกษาเป็นฐานด้วยแล้วมายต้องบอกไปเมื่อันยองก็บอกอุ้ยให้ไปบรรยายพามีความรู้ฟังนี่มากปันหนัก้จใช่ไหมคนเรามันจะตรวจสอบเป็นไงเขาก็ถามเขาถามไหมเขาถามเหมือนกันว่าท่านจบอะนั่นแหะนึกแล้วยังมันก็ตั้งทงแลไอ้ย่าตป็นแกแรกแล้วก็คิดูที่สองชั่วโมงี่มาต้องไปบรรยายมมาจะเหนื่อยขนาดไหน ก็บรรยายใคนไม่เชื่อฟังเนี่ยหนักไหมล่ะแสนจะหนักแสนจะรับากาก็ใชแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็จะเป็นคือการการตําหนีพู้พูดก็คือมันจะลามไปถึงโมหะยาวเราแล้วก็กลัวเขาบา้าให้เราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงใช่ไห ม, ไมให้ความวิราชเราไม่มีสักอย่างเลย <laughs> ลูกก็ไม่วิราช ใช่ไหว่โลวิราชก็ไม่มีใช่หมว่าเจ้นาวิราชก็ไม่มียาณวิราชก็ไม่มีอิทธิวิราชก็ไม่มีเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยอะ่ะแล้วเราก็เป็นพระมิเกเลสเป็นปุรุชนลูกหนึ่งใช่มหมแล้วไป น, นั่งกอดกับคนที่มีทิฏฐิมานะกล้าเยอะๆถ้าลองคิดดูมันมันเย่เป็นผลดีเนะี่ยก็เขาเขาจัดไปแล้วอะไรแล้วก็ ทำทีทำท่าพล่อยมันจบไปแค่นั้นเองให้มันจบจบผ่านผ่านไปแค่นั้นเองไม่ใช่ก็คือมันก็ต้องไปกล่าวอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆระวังหลักได้ถูกใช่ไหมว่าเราควรจะทำยังไงเพราะว่าเออมันอาจจะมีใช่ไหมที่คนที่เขา ปรารถนาหรือว่าแล้วก็ได้แต่คิดถึงนั้นเลยหาถ้าคนมีหรอเป่าน้อก็คิดเช่นนั้นอย่างอ๋อมีไปสามโมบไปสาม ตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าทิฏฐิเนี่ยนะคืออะไรเป็นคําถามเนาะทิฏฐิคืออะไรก็จะแก่ทิฏฐิคือความรูปคําด้วยความถือผิดนะเป็นคําตอบคําถามที่ถามนะเป็นคําตอบคําถามที่ถามคำเมียที่ว่าทิฏฐิก็คือการโลปคําการทือผิดเท่าไหร่เป็นการแสดงความพิสดารตามลําดับดำตะตอบคําตอบที่ตอบแล้ว ทิฏฐิทั้งหมดเป็นอัาธาทิฏฐิเป็นการเทียบเทียงกับทิฏฐิสูตรมีทิฏฐิสูตรด้วยเนี่ยในสี่ปริเฉดนั้นพึงทราบวิจัยในปุจฉาปริเฉดถึงคําถามนะทิฏฐิอย่างไรกาทิฏฐิเป็นคําถามถึงธรรมเป็นคําถามถึงสภาวะทิฏฐิเป็นอย่างไรนี่ก็ถามถึงสภาวะของทิฏฐิอาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรต้องตอบเลยทีทิฏฐิเป็นอย่างไร ลักษณะของทิฏฐิเป็นยังไง ล, ลักษณะของทิฏฐิเป็นยังไงฮะความเห็นที่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงเนี่ยคือเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนเป็นความเชื่อมั่นอย่างผ like ิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าถ้าพ่าวความทิฏฐินี่เหมือนกับปัญญาหรือตรงกันข้ามกับปัญญาตรงข้ามกับปัญญา เทตีเนี่ยเขาเขาละสภาพที่เป็นจริงหรือว่าเขากลับไปหาสภาพที่เป็นจริงกลับไปหาสิ่งที่ไม่ไม่เป็นจริงนั่นแหละคือเทตีก็จะเป็นงั้นเั้นถ้าว่าอะไรที่มันจริงอเช่นว่าทุกเนี่ยเทตีก็ไม่ไปเห็นด้วยว่าเป็ทุกหรอกใช่ไหมเขาจะเห็นว่าเป็นศุเดินเดียวนนี้ทุก นี่เหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ใช่ไหมตัณหาจะเป็นเหตุของของทุกได้ยังไงใช่ไหมอย่างสมมุติว่าเอามีใครเขาเห็นบอกว่าเนี่ยเขาจะแต่งงานกันร้อยคู่สมมุติเนะี่ยเทศการปีใหม่มมตของกีนเขาแต่งงานร้อยคู่สมมุติเนีอย่างนี้ก็ว่าเหตุของสุขหรือเหตุของทุกข์แล้วโอ้ยเห็คนครับบางทีเขาเขียนกันหรอ ชื่นมืนาเขาเขียนชื่นมืนเนาะมามองดูโหยชื่นมืนไม่ใหญ่ไม่ใช่ไหมนี่มันเนี่เห็นผิดชัดเลยเนี่ยไม่ใช่ชื่นมืนแล้วก็บอกชื่นมืนไม่บอกว่าเขานั่นไม่ได้ทีนี้ยนั่นแหละคือรักในทิศทีเท่าไร่ก็เป็นการถามจํานวนเนาะการถือผิดอย่างไรอ่ะ กติทิฏฐานพินิเวศเนี่ยเป็นการตามขานการตามประเภทของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยด้วยประเภทแห่งวัตถุด้วยความต่างกันอย่างอารมณ์เนาะทิฏฐิเนี่ยเขรับอารมณ์ได้หลายอย่างเนาะรับอารมณ์ได้หลายอย่างทิฏฐิรับปรมามะเป็นอารมณ์ได้ไหมรับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ไหมรับอดีตได้ไหมอนาคตได้ไหมเห็นไหมรับทั้งปรมามะและ บ, บัญญัติทั้งอดีตและอนาคต ทิฏฐิย่อมยึดถือย่อมรูปคําวัตถุนั้นๆอารมณ์นั้นนั้เพเหตุนั้นจึงกล่าวว่าทิฏฐิปรมาสัความรูปคำคือทิฏฐิความถอนที่ตามเห่งทิฏฐิเป็นฉชไหนกัตโมทิฏฐิทิฏฐิฐานะสมุขคาโตเป็นการถามถึงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ถามถึงอุบายอย่างการละมิจฉาทิฏฐิขันเนี่ยนะขันนี่เป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมไม่มีพวการถอนทิฏฐิได้แล้วเพราะเหตุนั้นเหตุเหล่านั้นจึงชื่อว่าถูกถอนได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความถอนที่ตั้งของทิฏฐิเพราะเป็นเหตุทําลายที่ตั้งแห่งทิฏฐิอย่างร้ายกาดด้วยดังนั้นท่านก็พูดถึงในด้านอโสดาปฏิมากรนั่นแหละเป็นตัวทําลายมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความรูปคำการถือผิดอันนี้เป็นคําตอบเนาะทิฏฐิชื่อว่าพินิเวสก์ ความถือผิดเพราะถว่ายึดถือตั้งมั่นถือมั่นด้วยอำนาจถึงความเที่ยงตั้งมั่นถือมั่นยึดมั่นด้วยอำนาจถึงความสุขคือไปยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยอำนาจถึงความเที่ยงเป็นต้นในวัตถุที่ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างจริงๆนะมันไปตั้งมั่นไปยึดมั่นไปถือมั่นด้วยอำนาจถึงความเที่ยงเป็นต้นในวัตถุ ทั้งทั้งที่วเช่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นวัตถุที่ไม่เที่ยงแต่มันไปตั้งมั่นไปยึดมั่นไปถือมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยี่หรือบางทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นไปตั้งมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสุขเนี่ยมันไปไปทั้งทั้งที่วัตถุนั้นไม่เที่ยงวัตถุนั้นเป็นทุกข์วัตถถถุุนนนนนนนนัััััั้้เเเปป็็าาตวไไมมมมม่่่งงงงกยยยยึดดอีีคขขทส แล้วก็เป็นอาตาเป็นของงามเนี้ยเนี่ยตัวทิถีมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาชื่อว่าปรมาสาวเพราะโรคคำเพราะอาตว่าก้าว่วงก้าว่วงอะไรก้าล่วงอาการไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วไปเป็นไปด้วยอน า, าคตของความเที่ยงโดยปรมาสาก็แปลว่าโรคคำนะประมาสานีนแปลว่าก้าล่วงก้าล่วงเออ ตรงนี้สัพ์นี้น่าคิดมากคำว่ า, าก้าวล่วงเนี่ยปกติมันไม่เที่ยงใช่ไหมเข้ามาก้าวล่วงเลยไปว่ามันเที่ยง <l ug> มันเห็นทุกเข้าก้าวล่วงเลยไปเลยเป็นสุกเสือ่อเดี๋ยนี้น้นเป็นเงี้ยมันคิดก็คิดเกินไอนะพวกมิจฉาที่ทยบไปเป็นไหมมันคิดอนะ่ะคิดไม่ถึงกับคิดเกินเนี่ยใช่ไหมเนี่ย มันมันคิดคิดเลยเกินบ้างคิดไม่ถึงบ้างใช่ไหมมันจะอยู่มันอย่างเงี้ยมันจะคิดให้พอดีเนี่ยไม่ค่อยได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันอาจารยที่ถีเนี่ยเขาเรียกมันปรมาสระก็แปลว่ารูปคำรูปคำในสัตว์นั้นก็แปลว่าก้าวร่วงมันคิดล่วงเลยไปซะเลยเลยเลยเลยไม่เที่ยงไปหาเที่ยงนู่นเลยทกไปหาศุกนู่น คิดไปในความไปอนาตตาคิดเลยไปถึงอัตตานี่ยไอ้ที่ไม่งามมันคิดเลยไปถึงงามเงี้ยนะนี่นะนนะมันจะเลยไปประมาณอย่างเงี้ยเนี่เขาเรียกว่าไอ้ตัวมิจฉาทิถิมันจะคิดแบบเนี้ยกังคิดดูที่ไม่ใช่โลูกคิดเลยไปเป็นลูก <c ười> มันดินน้ํำใบลมแมันคิดเลยไปไ้ยเออขึ้น <c ười> <c ười> เลยไปเฉยเลยอะไรนันไปถึงเออลูกวะงั <c> ้น <ười> ให้ลองคิดถ้าเราเกิดมีความเข้าใจว่าโอ้ยมีคนมีใครคนใดคนหนึ่งนี่นะไปเอาดินขึ้นมามากอดร้องรูกรักลูก ม, มั่งแล้วจะมีความรู้สึกคนคนนั้นเป็นคนดีไหมปกติไหมคนไม่ปกติเราเราก็ไปเอากอดดินน้ําไปรเหมือนกันว่าลูกลูกเหมือนกันแล้วปกติไหมเ <c oughs> ขาแบกวิ่งผลิตมาน้าสุการอันนี้เรืงจริงนะโอ้ยผลิตมาน้าสุการมากเอแเรามานั่งก่อดินเนี่ยโอ้เออเยอ่นอย่าร้องนะลูกแนวอ่างนี้น ดูลแลดินนะไปโอดินน้ำไปลมแล้วบางทีกลัวดินน้ำไปลมจะกรดก็ง่ายโอ้บหนี่เขาถ้าคิดเกินคิดเลยเป็นบ่อยไหมฮะให้เป็นไปกับปัญญาแล้วเราจะเข้าใจคือคือพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดขัดแย้งกับโลก โลกต่างหากที่คิดแย้งกับตถาคตใช่ไหมเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถาคตคิดไปตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าคิดไปตามความเป็นจริงแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คิดล่วงเลยไปใช่ไหมเอาอย่างนี้เราเห็นดินน้ําไปลงเป็นรถได้เนี่ยลองคิดดูที่ว่าของเรานี่คิดถามว่าล่วงเลยไปไหมคิดเลยจริงๆง คิดเลยไปไกลแล้วเมื่อเราคิดเลยไปไกลไกลเกินไปแล้วด้วยไกลเกินไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นการคิดไกลเกินไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าคิดเลยอันนี้ถือว่าคิดเลยเถิดได้ไหมคิดเลยเถิดเร็วไว อโอ้โหได้บุญเยอะเลยโอ้โหนาาอนาาอนี้อันที่สองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าการคิดล่วงเลยเนะี่ยมันคิดแบบนี้เริ่มจะมองเห็นเช่ไหว่าต่อไปมันจะได้ปรับจูนวิธีคิดเราได้ถูกว่าอะไรคือเป็นการคิดเกินเลยอะไรที่มันคิดผ่านคิดเลยไป ใช่ไหมมันเลยพอดีไปแล้วบางทีมันคิดไม่ถึงกับมันคิดเลยมันไม่เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทามไม่ตกล่องมัชฌิมาปฏิปทาเลยมันเข้าไปก้าวล่วงส่วนสุดรสองอย่างอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวจ ะ, จ ะ, จ, ะจะชักสูตรไม่เห็นว่าจริงๆการคิดล่วงเลย เ, ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะดึงสูตรมาประกอบให้ให้ดูว่าการการคิดล่วงเลยเนั่นคิดยังไง อตอนนี้ใช้ได้เลยนะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวหยิบสูตรไม่ดูเพรว่ากรณีอย่างการคิดเลยเถิดเนี่ยนะการคิดล่วงเลยไปนะเป็นเป็ น, ปนไปในลักษณะยังไงพระพุทธเจ้าบอกไหยพุทธเจ้าสอนบอกว่าในความเข้าใจเนี่ยนะพะพุทเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ย แล้วก็สัมมาวิมาสัมมาสติใช่ไหมรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนะจริงจะเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไม้มเราก็มาพิจารณาดูว่าไอ้วความรู้ที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเป็นยังไงประเด็นตรงนี้ก็คือบอกว่าท่านถามบอกว่าความเข้าใจเนี่ยนะความเห็นที่ถูกต้องเนี่ย ก็คือบอกว่าเขาถามว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของเรื่องวาทะก่อนสัตสตาวาทะก็เฉทวาทะคือลัที่ที่ถือว่าเที่ยงกับละที่ที่ถือว่าขาศูนย์เนี่ยนะดูก่อนพระหมณ์ตถาคตไม่เข้าไปติดส่วนสุดทั้ง ข, งของสองอย่างนั้นเราแสดงธรรมเป็นกลางกลางว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายยตนาเพราะสรายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีบาทานเพราะอุบาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจังมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามารณ์โสกศรีเดวะทุกทมนะสอุวายาใช่ไหมนี่ถ้าปฏิโลมก็เพราะสํารอกอวิชชาเพราะดับอวิชชาได้ไม่มีเหลือสังขารก็ดับ พอสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายเวนาดับสลายเวนาดับก็ภ菩萨ดับภ菩萨ดับก็เวทนาดับเวทนาดับก็ตันหาดับตัญหาดับก็อุปาทานดับอุปาทานดับก็พบพดับประชาติดับชาติดับก็ชะลามระนะโศกกาปริเดวทุกทมนะสกปริยดับการตับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยกันางนี้เห็นไหมพระเจ้าจักแสดงธรรมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่สุดสองอย่างทีนี้สัตตาวาทานี่เห็นว่าเที่ยง อุเฉตวาาัฏะนี่ถื่าฐาศูนย์อตตะการวาฏะสยังการวาฏะคือรัฐิถือว่าสุขทุกเป็นต้นเนี่ยตนทําเองนั้นกลุ่มหนึ่งอันนี้อีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งเมื่อกี้ก็คือบางบา ง, งกลุ่มเนี่ยเขถือว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวใช่ไหมเป็นโลกาญาตินั่นส่วนหนึ่งและสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลายอย่างนั่นกลุ่มหนึ่ง สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลายอย่างเป็นโลกยัตถา น, นั่นเป็นส่วนที่สี่เป็นต้นนั้นก็ว่าไปอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือเกี่ยวในสูตรต่างๆอันนั้นไม่ยกมาในในนิทานวักแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือสัจธรรมเท่าเฉตวะธา่านั่นส่วนหนึ่งส่วนที่คู่หนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องของอัตตะการวาะธาคือสายามการว า, าะธาลัทธิว่าได้สุขทุกเป็นต้นใน ต, น, ใ น, ตนทําเองนี่ลทัทธิหนึ่งนะดูเหมือนถูกนะเห็นลทัทธิเนี่ยแต่มันไปเข้าใจว่าตนเนี่ยเป็นผู้ทําไอ้ที่ทีนั่นแหละ ทิฏีิก็เป็นผู้เสวยซะเองอย่างนี้ไปต้นเลยนะส่วนพระตารวารัฏละทิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นะเกิดจากตัวการภายนอกทำให้สุขทุกข์จะไม่บอกว่านู่นแหละมีคนโดนบันดาลอยู่มีคนคอยจ้องโดนบันดาลเลยก็ว่าไปเถอะนั้นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เงี้ยน้อยในบรรดาพกททิฏฐิทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงทิฏฐิเนี่ยถ้าขยายตามสูตรเนี่ยนีทีนี้ในสิ่งต่างๆความสําคัญในแง่ของหลักตรมเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจหลักกรรมทีลอ ตรงนั้นก็นี่มาสังเกตตามเนี่ยพุทธพจน์เขาก็ถามว่าทุกเนี่ยตนเองทําเองเขาถามบอกว่าทุกเนี่ยตนทําเองหรือถ้าตอบบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนะั้นทุกตัวการอื่นทําให้ใช่ไหมบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนะั้นทุกตนเองทําด้วยตัวการอื่นทําด้วยใช่ไหมอย่ากล่าวอย่างนะั้น ทุกไม่ใช่ตนเองทําและไม่ใช่คนอื่นทําแต่เกิดขึ้นเลยอยเป็นอาทิตย์อาทิตย์จะทรงปัญะหรือใช่ไหมอย่ากล่าว่างนะในวิธีการตอบตามพระธรรมของพระเจ้านี่ท่านตอบอย่างไงทีนี้ถ้าอย่างนั้นทุกไม่มีใช่ไหมทุกไม่ใช่ไม่มีทุกมีอยู่พระเจ้าเองนะถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นทุกใช่ไหมบอกว่าตอบเราไม่ใช่ไม่รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เห็นทุกนะเรารู้เราเห็นทุกแท้ทีเดียวถามต่อว่าขอให้พระบรมศ า, ศาสดาโปรดบอกโปรดแสดงทุกแก่ ข, ขา้าพเจ้าด้วยเถินี่วิธีแสดงธรรมของพระพุพทธองค์จะได้ข จ, จัดทิฏฐิเหล่านี้ได้ยังไงต่อว่าเมื่อทุกตนทําเองอย่างที่ว่าว่าไว้ทีแรกก็เท่ากับบอกว่าผู้นั้นทําผู้นั้นสวยทุกกลายเป็นสัตตสตาทิฏฐิไปใช่ไม่ใช่นี่ตอบแล้ว เมื่อบอกว่าทุกตัวการอื่นทําให้อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกก็เท่ากับบอกว่าคนหนึ่งทําคนหนึ่งเสวยทุกใช่ไหมกลายเป็นอุเฉททิถี่ไเอ้ยผู้ทําสบายเลยไอย้ผู้เสวยนี่เป็นใครก็ไม่รู้มนุษย์มนุษย์ทําชั่วสัตว์นรกเสวยบาปบาปไม่ใช่ไหมมนุษย์สบายแฮเลยโหสัตว์นรกตายลําบาก อย่างจยังเนี่ยการศึเข้าใจคําสอนเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องตามแนวพุทธพจน์ให้ชัดถ้าศึกษาตามแนวพุทธพจน์ไม่ชัดเนี่ยเราจะมองเห็น <laughs> เห็นทิฏฐิไม่ออกมันจะวิจัยทิฏฐิไม่ออกแล้วมันทิฏฐิจะไม่ขาดถ้าอย่างงั้นต่อไปแล้วมันจะเข้าร่องมัชฌิมาปฏิบัติได้ร่องนี้มันเคยเกิดกับเราเปนานแล้วแต่มันถูกลบเลือนไปด้วยการที่ไม่ได้ทําอรยามักมันก็เลยถูกมิจฉาทิฏฐิลบจนโหหาล่องเดียวไม่เจอแล้วในตอนนี้ คิดตีามันจะตกล่องวิชฉาที่ถีอยู่เลยเลยเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าแตถาโคตไม่เข้าไปติดที่สุดสองข้างนั้นนี่พอเนชดัดไหมตรงเนี้ยเป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางๆไม่เอียงไปสุดข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้นี่แหละที่มชิมาปฏิบาาัตานะ คือที่บอกว่าในสมมาที่ีสูตรก็ดีในมหาจตารีสกัดสูตรเป็นต้นก็ดีในสถิปติฐานสูตรเป็นต้นก็ดีนี่น ะ, ะในคําสอนต่างๆที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เนี่ยก็คือแสดงหลักมัชชีมาปฏิบทาก็คือการไม่เอียงไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งเป็นมัชชิมาปฏิบทานี่พระพุทธเจ้าจักไม่เอียงก็ไปหาสัตตาวาทะอุเฉตวาทะ หรสัตการวาทัศยังการะวะทัราธิวสุขวะทุกตัวเนียมาเองหรือประการะวะทั ร, า ธ, าราธิวสุขทุกเป็นต้นเกิดจากตัวการภายนอกทำเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เอียงไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอียงไปหาตัณหาไม่เอียงไปหาโทสะใช่ไหมการมัศุขาริการุโยกอัตตกิรมถานุโยกพระองค์ก็ไม่ไเอียงไปอย่างนั้นนะตรงเนี้ทีนี้ก็มาดูอีกนาติกาวะาทากับอัตถิวาทากับนาติกาวะทะ ละที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่เกินละที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่จริงข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญที่เรียกว่าสมาทิฏฐิสมาทิฏินี่แค่ไหนแค่ไหนเรียกว่าสมาธิฏฐิพื่เจ้ากัจจายนะโลกนี้โดยมากอิงทฤษฎีของตอนเนี่ยเขาอิงทฤษฎีของตนอินอิงอะไรอิงทิฏฐิของตนเนี่ยก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าบางคนเนี่ยเอาบางคนเป็นปุพันตากปปิกะ ทิฏฐิเงี้ยเป็นทิฏฐิในส่วนของอดีตเนี้ยก็อิงนั่นแหละอดีตนั่นแหละบางคนก็เป็นอั ป, อปรันตา ก, กับิกาทิฏฐิเป็นกลุ่มประเภทมิจฉาทิฏฐิที่ว่าเป็นไปในส่วนของนาคก็อิงทิฏฐิงเราเองนั่นแหละใช่ไหมบางคนเป็นสัตสตารวัฏก็อิงสัตสตารวาัฏเรื่องในบรรดาบรรดาปุพันตา ก, กับิกะวาัฏ ท, าทิฏฐิเนี่ยก็ยังมีแยกประเภทอีกเยอะเยอะใช่ไหม ประเภทที่เที่ยงบางอย่างก็มีเที่ยงทั้งหมดก็มีเนี่ยแล้วไประเภทที่เที่ยงนั้นโดยการที่ตนเองเระลึกชาติได้หนึ่งชาติก็มีจนถึงสิบชาติก็มีจากสิบชาติไปจนถึงแสนชาติอย่างเงี้ยจากสิบกลับไปจนถึงสี่สิบกลับก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็ประเภทนักคิดนักคาดทะเน่นักเดานักคํานวณทั้งหลายที่เห็นว่าเที่ยงก็เยอะหรืเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอีกละ่ะอีกตั้งเยอะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ไอ้กลุ่มเกี่ยวนีเรื่องของความเห็นว่าว่ามันก็นแล้วแต่ว่ามันคนโดยส่วนมากเนี่ยในโลกเนี้ยอิงทฤษฎีข้งตัวเองอิงทิศถิของตัวเองเนื่ ท, นนนที่มานั่งคุยคุยกันอยู่เนี่ยเอาทิศถีมาคุยกันโดยส่วนใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยมันมนั่งประกาศกันปล่าเปาเนี่ยโดยมากมันนั่งประกาศทิศถิ ถ้าเราเข้าใจทิฏฐิดีเราจะสลดใจถ้าเราเห็นคนบางคนพูดอะไรร่ำล่ ำ, ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าสลดใจเลยเขาประกาศทิฏฐีเขาคนในโลกเนี่ยอย่างที่พุทธพุทธเจ้าว่าเลยถ้ามีทิฏฐิประเภทที่อุเฉะถ้าทิฏฐีเขาก็พูดไปทั้งอุเฉทัถ้าเป็นสัสจะทิฏฐีเขาก็พูดเองไปทั้งสัจจะทิฏฐี ยังไงถ้าเป็นอายตุกาทิติเขก็ไปอายตุกาทิตินาติกาทิติก็เป็นนัติาติกาทิติอกริยะทิติก็เป็นอัคตริยะทิติและในบรรดาสักคยะทิติก็ยังมาแยกนะกลุ่มเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางคนก็โห้โลูกจ๋าอะไรยึดมั่นในลูกมากดิมะเพราะสาคัญอย่างไรเขก็ประกาศทิติเข้าไปทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างเขาทํานั้นชื่อว่าสัตว์นั้นกําลังประกาศทิติอยูนเองอยู่นั่นแหละเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นกรรมที่ท่านเหล่านั้นกําลังทําอยู่เห็นไหม มาบอกว่ากรรมไงใช่ไหมกําลังมาดูบุญดูบาปใช่ไหมก็มาดูเขากําลังประกาศทิฏฐิกันแสดงทิฏฐิมาอันนั้วเราก็ไปแสดงกับเขาด้วยก่อเราไปแสดงสมาธิทิฏฐิหรือจะไปแสดงวิจารณทิฏฐิตอนนี้ให้เป็นสมาธิทิฏฐินะนั่นแหละนั่นจะเมื่อเราเจ้าก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ไปประกาศยืนยัน เราไปฟังธรรมอคือถ้าประกาศว่าเราไปฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจถูกในขนาดนั้นเนี่ยชื่อว่าไม่ได้ไปประกาศทิฏฐิแลแต่ไปประกาศสมาทิฏฐิคือคือเราไม่ขัดกับชาวโลกตามพระพุทธพจน์ตามพระพุธธเจ้าเลยเราเข้าใจว่าบัญญัติที่ชาวโลกเขาบัญญัติเนยกินความแค่ไหนแต่สภาวะที่เป็นจริงนะั้นมีอยู่จริงแค่ไหนใช่ไ นั้นต่อไปถ้าเราเห็นถ้าเราจะพัดภาพจากดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะไม่โถมมานั้นใช่ัหมมั่ <c oughs> มนใจือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้าดินน้ำไฟลมเนี่ยโอตรงนี้ใช่ั้ยโอ้โหใครมาขีดรดเรานี่ <c oughs> เอาแล้วดินน้ําไฟลมหายไปจริงแล้วโอ้ดินน้ําไฟลมตรงนี้เป็นรอยซะใหญ่ลึกเลยเมื่อเจ็บใจแท้ใช่ไหมเพราะมันไปทิฏฐิมันไปวางกําลังไหม่หมดนะลูกคำไหม่หมดแล้วไปถังแท่สมัยทิฏฐิไปถางไอ้ไข้ ค, ควรมีพิจรารณาเผาทิ้งเลยเผาอีกความอี๋ สรุปแล้วว่าจะเจอมาทานต่อว่ากันที่พูดอย่างนี้จะสมาทานต่อออืมาดูประเภทภาษาหนักกีฬาแล้วตาลอยแล้วกรรมการจะโบกผ้าอยู่แล้วบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ทิศไม่ซ้อมอะไรมาเลยอย่ามาอาหารอย่ามาสู้เอาตรงนี้ดูต่อนะ เมื่อบางกลุ่มก็เป็นประเภทอัติตาความมีนะคือในกภาวะสองอย่างอัติตากับนัตติตากับความไม่มีเมื่อเห็นโลกกระ ส, สืมมญญนะ อ, สมมญญนะอไอทยตามที่มันเป็นไปด้วยสัมมาปัญญานะหรือสัมมาปัญญานะอัติตาในโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อเห็นโลนิโรทะตามที่มันเป็นไปด้วยสัมมาปัญญานะอัติตาในโลกนี้ก็ไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะถามบอกว่า ไอความเห็นว่าเคนความเห็นว่าไม่มีเนี่ยความเห็นว่าไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่เห็นโลกอยู่ข้องไม่เห็นโลกกัสมุทัยใช่ไหมคือไม่เห็นสมุทัยยะสัจจะพอไม่เห็นสมุทัยยสัจจะไม่เห็นตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยความเห็นว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ถูกทําลายสาตร์โลกทั้งหลายบางทีบอกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ย ไอ้พวกกลุ่มปฏิเสธความไม่มีทั้งหลายบอกว่ามันจะเกิดก็เกิดขึ้นมาลอยๆนะแล้วก็เห็นอยู่ว่ามีพ่อแม่ใช่ไหมอยู่ด้วยกันเราก็เกิดมาเนี้ยจะไปมีเหตุแนด่ดีได้ยังไงพวกนี้ปฏิเสธเหตุแนด่ดีการปฏิเสธเหตุแนด่ดีนั้นเพราะเขาไม่เห็นโล ก, กสมุทรไทยเขาไม่เห็นโรงงานผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนของกลมใช่ไหมไม่เห็นโรงงานผลิตตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์ทั้งหลาย แต่ถ้าหากคนที่ไปเห็นโลกกับสมูมไทยคือตันหาซะแล้วเนี่นยนะว่าเป็นโลคกระสมูมไทยแล้วเนี่ยไอ้นัตติตาเนี่ยนัดความเห็นว่าไม่มีของเขาก็จะดับหายไปเนี่ยเพราโทษเนี่ยส่วนอธิตาบางกลุ่มเห็นว่ามีใช่ไหมแต่มีแบบประเภทที่เข้าใจแบบผิดๆพลาดๆเนี่ยเขาไม่เห็นนิโรโลกกับ น, นิโรโลคกับ น, นิโรดคือไม่เห็นความดับทุกข์ถ้าเขาเห็นความดับทุกข์ตามด้วยสมมาปัญญาเนี่ด้วยสมมาปัญญาเนี่ การเห็นว่ามีของเขาก็จะนั่นไม่เห็นว่ามีก็ผิดเห็นว่าไม่มีก็ผิดถ้าเห็นด้วยทิฏฐิเพราะไม่ได้เห็นด้วยสัมมาปัญญาหรือไม่เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาไม่เห็นด้วยสัมมาทิฏฐิฉะนั้นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าให้คิดอะไรมากยิ่งคิดแล้วมันยุ่งให้นั่งอยู่เฉยๆฉะนั้นวุ่นวายหมดแหละจริงไม่จริง สร้างสมาธิถี่ให้เกิดก่อนแล้วค่อยไปคิดแต่นี่มันคิดมาหมดแล้วทำไงมันวางกลับระเบิดไว้เต็มหมดแล้วก็ไปกู้มันไปกู้ซะที่ิปถอดไปเอาระเบิดวางไว้หมดเลยใช่ไหมเราไปเข้าใจผิดไว้หมดแล้วทำไงที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะบัดโลกใบนี้เราเกิดมาเฉพาะอายุชีวิตนี้ก็หลายหลายสิบปัว เราฝังความผิดไว้แน่นหมดเลยแล้วทุกวันทุกวันเราก็เห็นว่าผิดไม่เคยมีสมัญญมม า, าปัญญาเกิดขึ้นวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นเลยแต่ละวันที่ผ่านมาเลยเนะี่ยใช่ไม่ใช่นั่นก็แปลว่าเนี่ยเราเราเห็นผิดในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นหมดวันหนึ่งเราได้มาฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ตกใจว่าโอ้โหพระธรรมเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้นี่เราจะกลับไปทําความเข้าใจใหม่ใช่ไหมก็ต้องมาลบข้อมูลเดิม โดยเอาปัญญาเนี่นยแหละไปค่ายวรไปพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เข้าใจมามันไม่ถูกให้ให้สําคัญความเข้าใจอย่างนั้นมันไม่ถูกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ถูกแล้วก็ไปใค่ายควรไปพิจารณาไปวิจัยเดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมแต่ไปบอกว่ามันถูกซะแล้วนี่มันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแตนี้แล้วยังยืนยันเถียงคอเป็นเรียนว่าถูกอีกโอ้โเหนื่อยเลยแต่นี่เหนื่อยยาวเลยแต่เนี้ย เป็นเรื่องยาวกันเลยเลยถ้าบอกมันถูกซะแล้วเนี่ยจะทําไงว่ามันถูกใช่ไหมถ้าถูกแล้วมันพร้อมแก้ไขไหมไม่พร้อมแล้วตรงเนี้เคยไหมถูกแบบแบบว่ามันจานนได้เหตุผลแต่ยังไม่เชื่อเคยเป็นไหมเหตุผลดักไว้หมดแล้วแต่ยังไม่เชื่อจะต้องไปหาเหตุผลใหม่มาคัดละ่ะนี่ดอกพิจารณิติมันแรงขนาดนั้นเนะี่ยมันไม่ยอมบอก ขัดแ ย, งย้งไม่กทั่งกับพระพุทธเจ้าทั้งๆที่บารมีสักข้อเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมเนี่ยเราไปดูว่าอูปธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนละเรื่องเลยอะ่ะในจำนวนก็ว่าอะไรน้ำมันราชสีกับอะไรเนี่ยว่าไงเนี่อ๋อภาชนะทองคำแปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อ รับไม่ได้ใช่ไหมนี่เหมือนกันใจที่จะรับพระธรรมของพระเจ้านั้นต้องเป็นใจที่มีสมาธิจะเหมาะสมดูก่อนกัจจายนะเนาะทีนี้บอกว่าอริยะสาวกนี่นะส่วนอริยะสาวกเพราะว่าอัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้ด้วยมากยึดมั่นด้วยอุบายเนาะแล้วถูก ข, ขังไว้ด้วยอภินิเวสะก็คืออีกตัวมิจฉาทิถีนี่แหละแล้วถูกขังไอ้ตอนนี้มิจฉาทิถีมันจับเราขังคอกไว้ขังก็ไว้ในกรงของมันส่วนอริยาสาวกย่อมไม่เข้าไปหาไม่ไปยึดไม่ไปติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นโดยบายด้วยความปักใจอภินิเวสะและอนุสัยว่าอัตตาของเราไหมอริยาสาวกท่านไม่เห็นแบบนี้ย่อมไม่เครือบแทงสงสัยว่าทุกนั้นแหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับก็ย่อมดับ อริยาสาวกเมื่อมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลยเพียงเท่านี้แหละเชื่อวสมาธิถิดูก่อนกัจจายานะข้อว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้ก็เป็นที่สุดอีกข้างหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางนะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองอย่างนั้นอันนี้ข้อองค์ก็แสดงอวิสัจชาปัญยายสังขาราเป็นต้นเนี้ยนะแสดงเหตุปใจใัจจัยเห็น แล้วก็ไปจะถึงการดับดังที่ได้กล่าวไ้แล้วที่นี้ในอีกเรื่องหนึ่งพรามนักโลกายตะโลกาญาติคนหนึ่งก็เฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือเคยถามอย่ไหมพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกายาติหลักใหญ่ที่สุดถามว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือ สิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นโลกยญาที่สองก็หมายความบอกว่าถ้าบอกสิ่งทั้งปวงมีเนี่ยเป็นเป็นโลกเป็นโลโลกยญาเนี่ยใหญ่ที่สุดนะีอย่างหนึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มีก็เป็นโลกยญาที่สองสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะเดียวนะเป็นเอกถะ idal, เอกตาใช่ไหมตรงก็บอกว่ายะบวกระาคยดย่อมแสดงธรรมเป็น ก, ากลางๆนะไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้ในในส่วนสุด ต, าต่างๆเป็นต้นเหล่านั้น แล้วก็ถามเรื่องสุขเรื่องทุกตัวเองทําหรือคนอื่นทําเป็นต้นดังที่ได้กล่าวอยู่แต่ที่แรกนั่นแหละบอกอย่ากกล่าวอย่างนั้นสุขทุกขตัวการทําให้หรือไม่ก็อยา ก, กล่าวอย่างนั้นเป็นต้นไปตามลําดับแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแต่ฐานคดไม่ใช่ไม่รู้เรื่องทุกแล้วก็บอกว่าเพราะเข้าใจแต่ที่แรกก็เวทนานั่นแหละผู้เสวยคือพระพุทธเจ้าตอบอกว่าคนเราไปเข้าใจบอกว่าสุขทุกเนี่ยสุขทุกนี่แสดงอะไรแสดงเวทนาขัน แต่คนไปเข้าใจไอ้ตัวเวทนาขานว่ามีผู้เสวยเวทนาก็ไปยึดถือบอกว่าสุขทุกข์น่ะตนเองทําใช่ไหมใช่เราหาว่าว่าเป็นอย่างนั้นไม่เพราะความเข้าใจเวทนาก็เป็นอย่างผู้เสวยก็เป็นอีกอย่างถ้าไม่ไปเข้าใจอย่างเนี้ยจึญเกิดความยึดถือว่าผู้ถูกเวทนาทิ้มแทงรู้สึกสุขทุกข์ตัวการอื่นทําให้บ้างคือในกลุ่มที่ เห็นบอกเวทนากับตนเป็นอันเดียวกันตนก็คือเวทนาเวทนาก็เป็นตนเนี่ยพวกนี้ก็เลยไปคิดบอกว่าไอ้เวทนาเนี่ยเราเป็นผู้ทําไม่ใช่ใครทำให้เราหรอกงั้นสุขทุกข์ที่เราได้ทั้งหมดอุเบกขาที่เราได้ทั้งหมดความเจ็บปวดทั้งหลายความดีใจทั้งหลายที่เราเราเนี่ยเลาเป็นผู้ทำไอ้นี่มันจะเห็นถิ่นเห็นถูกนะนี่เห็นผิดเพราะไปเห็นว่าอัตตาตัวเวทนานี่ยมันอันเดียวกันทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งแยกได้แยกเวท อัตตาก็อีกอย่างเวท น, น, น, นาก็อย่างฉะนั้นพอบอกเวทนาก็อย่างสุขทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้ยไม่ใช่ตนเองทำหรอกมันมีตัวทําให้อีกตัวหนึ่งสิ่งอื่นนะ่ะสิ่งอื่นที่นอกจากเวทนานะ่ะเป็นผู้ทําให้นเพรงั้นนะก็ไปเข้าใจตัวอัตตานี่แหละพิธอีกเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยสุขทุกข์กับตัวการอื่นทํำให้เราหากล่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่แต่ฐาคตไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองประการนั้น นี่พระ อ, องค์ก็แสดงเรื่องการดับดูก่อ น, นะนอนนลเรากล่าวว่าสุขทุกเป็นอสุขไรทุกนี่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมหรือเป็นปฏิจสมุปปาทธรรมมันแล้วจ ะ, จะถามใช่ไหมสุขทุกขเนี่ยเป็นสมุปสมุปปาทธรรมก็ได้เป็นธรรมที่เป็นผลก็ได้ใช่ไหมสุขไรทุกนี่มีภาษาเป็นปัจจัยใช่ไหมนี่ก็เรียกแสดงในฐานะว่าเวทานานี่มีภาษาเป็นเหตุ ใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าสุขและทุกข์เนี่ยเป็นเหตุทําให้ปัญหาเกิดแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหตุให้ตัญหาเกิดเห็นไหมตัวเวทนาตัวสภ า, าวธรรมนั่นแหละที่คนไปเข้าใจกันตรงนี้ไม่ถูกก็เลยไปเข้าใจว่าสุขทุกข์เนี่ยมีตัวการทําให้แท้ที่จริงก็คือว่าทุกอย่างเกิดจากปัจจัยใช่ไหม พระเจ้าก็เลยบอกว่าสุขทุกข์เป็นปัตติจัสมุปปนธรรมนะสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยอะไรบอกอาศัยภาษาเมื่อกายมีอยู่นะอาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุสุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้เมื่อวาจามีอยู่อาศัยความจงใจทางวาจาเป็นเหตุสุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้เมื่อมโนจิตมีอยู่อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุสุขทุกข์ภายในก็เกิดขึ้นได้เพราะอาวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายกรรมอยู่ไหม จึงปรุงแต่งกายยสังขารก็เอาวิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารกายยสังขารคือเจตนาที่เป็นไปปุงแต่งกายทั้งหลายเนี่ยนะนี่ไหมว่ามีวิชาเป็นปัจจัยและเป็นปัจัยเกิดสุขทุกภายในบ้างเนื่องจากผู้อื่นทุกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆกระตุ้นให้ชักจูงก็ปรุงแต่งกายได้เหมือนกันใช่ไหมปรุงแต่งกายกรรมกายสังขารก็เป็นปัจัยเกิดสุขและทุกภายในบ้างรู้ตัวอยู่ก็ปรุงแต่งกายยสังขารเป็นปัจัยเกิดสุข สุกและทุกภายในบ้างไม่รู้ตัวกระปุงแต่งกายสังขานเป็นปัจจัยเกิดสุกทุกภายในบ้างแล้วกระปุงแตกวัจีสังขารก็เป็นไปอย่างนี้กระปุงแตงมโนสังขารด้วยเนื่องจากผู้อื่นบ้างตนโดยรู้ตัวบ้างโดยไม่รู้ตัวบ้างเป็นปัจจัยเกิดสุกทุกภายในในกรณีเหล่านี้อาวิชาเข้าแทรกอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าความเข้าใจ ความเข้าใจว่าเป็นถ้าเข้าใจถูกเนี่ยจะเข้าใจลักษณะอย่างนี้ถ้าเข้าใจผิดจะไปเข้าใจมีตัวการดําเนินการมาจากคาว่าการกะเวทนาทิเอกตะวาทะเนี่ยพวกนี้ถือบอกว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวการเดียวกันพวกนี้นะเออนี่นี่นี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกการกะเวทกา น, านิทาน ปะวาทะก็ถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นคนละอย่างขาจากันตัวการที่ทํานั้นนะนะเขาถามว่าตัวที่เสวยอ่ะอันนั้นนั่ น, นหรือหมายความว่าตัวเสวยคือผลนี่นะไอ้ตัวที่เสวยคือตัวผลเนี่ยก็อนนั้นใช่ไหมเขาตอบว่าตัวที่ทําก็อนนั้นตัวที่เสวยผลก็อนนั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่งนี่เป็นที่สุดข้างหนึ่ง พุทธเจ้าไม่เข้าไปค่องแวะที่สุดสุดสุ ด, สดแบบนี้ตัวที่ทำก็อย่างตัวที่เสวยก็อย่างตัวทำก็เหตุตัวเสวยือผลนี่นะเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมตัวที่ทำก็อย่างตัวที่เสวยก็อย่างเป็นที่สุดข้างที่สองอย่างที่สองตถาคตก็ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองอย่างนั้ น, นมองเห็นไหม ถ้าไปเข้าใจตัวที่ทํากับตัวที่เสวยไอตัวเหตุกับตัวผลมันเป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยไอทิฏฐีที่เข้าไปเห็นในลักษณะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวอย่างที่ทรงต่อก็คือบอกว่าเป็นที่สุดข้าหนึ่งตถาคนไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วก็แสดงธรรมที่เป็นงางๆพระองค์แสดงอวิชชาปัญญาสังขาราเป็นต้นแล้วก็แสดงทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับให้ดูพระเจ้าจักแสดงธรรมอย่างนี้นะนี่สรุปอย่างนี้ ต่อมาจะถามพระองค์พระเจริญชารามรณะคืออะไรชารามรณะนี้ของใครพระเจ้าจะตอบว่าเธอตั้งปัญหาไม่ถูกนี่ชล า, ามรณะคืออะไรชารามรณะนี้ของใครถ้าชารามรณะนี่นแก่ความแก่และความตายเหะใช่ไหมชาราคือความแก่นี่ตอบได้มรณะคือความตายนี่ตอบได้อะไรคือแก่อะไรตายก็คือสภาพของขัน ธาตุอายทนะที่แก่ขันธาตุอายทนะที่ดับพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยใช่ไหมตานี้ได้แต่ว่าของใครนี่จบเลยใช่ไมทําไมเอาปัญหาปรมาสกษัตริยบุคคลไปปนกันใช่ไมการตั้งคำถามไม่ถูกการตั้งแบบนี้ตอบได้ไหมเราก็ต้องบอกว่าคุณต้องถามใหม่ไม่ใช่ถามอย่างเดียวนะปรับความเห็นของคุณใหม่ด้วย ใช่ไหมใช่คนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเขาให้ตั้งปัญหาใหม่ก็ตั้งแค่ปัญหาแต่ไม่เปลี่ยนความคิดรู้เปล่าความเห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงเนียถามว่าแค่ามอเล่นนะเป็นของใครเอาเป็นของใครพญาที่เป็นของใครใช่มหมแล้วบอก พยาธิเป็นของใครมันก็ไม่มีของใครใช่ไหมมันเป็นชื่อของความเจ็บป่วยของขันเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างสัตว์โลกที่เข้าใจผิดเนี่ยพ่อเราป่วยแม่เราป่วยลูกเราป่วยตัวเราป่วยแล้วมันมีอยู่จริงไว้ตัวเราเนี่ยแต่พญาธิมีจริงไหมเนี่ยขันมีจริงไหมสภาพขันที่ทุกทรมานมีจริงด้วยขันที่ป่วยมีอยู่จริงๆด้วยแต่เราป่วยมันไม่มีจริง ต้องถอนตัวนี้ถอนมิจาทิฏฐิก็จะเข้าไปเพิอถอนไปไข้ควรไปพิจารณาไปไตรตรองนี่นี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจแล้วทีพูดอย่างนี like ้เรียนยากไหมแบบนี้ยากไหมพระเจ้าแสดงทําแบบนี้ ตรงนี้พบบอกว่าตั้งปัญหาไม่ถูกผู้กล่าวชารามรารณะคืออะไรชาร า, านะ น, นี้ของใครหรือผู้ใดกล่าวว่าชารามราณะก็อย่างเจ้าของชารามรารณะก็อย่างคำพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่ปัญชนะเท่านั้นนะเมื่อมีความเห็นว่าชีวาก็อันนั้นสตรีละก่อนนั้นการคลองชีวิตอันประเสริฐพรหมจันทร์ก็มีไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็ อย่างสรีราก็อย่างการกองชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจรร์ก็มีไม่ได้แต่ฐาคตไม่เข้าไปติดที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงทมเป็นกลางๆเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลามรณะเงี้ยนะชาติมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาชะามรณะจึงมีพระเจ้าแสดงอย่างนี้ข้าแต่พระองค์พระเจริญชาติพบอุปาทานเป็นต้นท่านก็ถามนะชาติพบอุปาทาน ตันหาเวทนาภาษาสรายทะนานามโลกวิญญาณสังขารคืออะไรของใครองค์บัตเถอรตั้งปัญหาไม่ถูกตั้งปัญหาไม่ถูกเพร่อวิชาเพ่อก็จะว่าไปตามลำดับตัเนี้ยเป็นความเห็นที่บิดเบือนนะขัดกันถ้าชรามราณะคืออะไรชรามราณะเป็นของใครในการตั้งนี้ตั้งไม่ถูกชรามราณะก็อย่างใช่ไหมเจ้าของชรามรารณะก็อย่างก็ดีเป็นต้นอะเนี้ย เป็นการตั้งปัญหาที่ไม่ถูกใครหนอย่อมผัสสะเนี่ยใครเป็นผู้รับสภาเออรับผัสสะถ้าถามนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าถ้าเรากล่าวว่าย่อมผัสสะในกรณีนี้จึงควรตั้งปัญหาให้ถูกต้องว่าใครหนอย่อมผัสสะแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนี้เมือ่อเมื่อไม่ได้กล่าวอย่างนี้ผู้ใดถามเราบอกว่าเพราะอะไรเพราะปัจจัยอะไรผัสสะจึงมีนี้เชื่อเป็นการตั้งปัญหาที่ถูกต้อง ตั้งปัญหาที่ถูกต้องสรายเวนาเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเนี้ยตั้งเนี้ยใครหนอเสวยเวทนาเห็นไหมใครหนอทยานอยากใครหนอย่อมยึดมั่นนี่เป็นการตั้งปัญหาที่ไม่ถูกถ้าถามบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยหนอเวทนาจึงมีอะไรเป็นปัจจัยหนอตัณหาจึงมีถามวิทยิกสูตตั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอแล้วก็ไม่ใช่ของใครอื่น ใชเพิ่งเห็นว่าการรมเก่านี้เป็นปัจเป็นสิ่งที่ปัจจัยกรุงแต่งขึ้นถูกปัจจัยจํานงขึ้นมาเกิดจากเจตนาและเจตนาเป็นมูลเป็นที่ตั้งของเวทนาเอาอะไรตนี้นะมีกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยของเวทนาใ น, นส่วนหนึ่งในดีบภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้อริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวด้วยโยนิโสมนัสิการเป็นอย่างดี ถึงการได้สิ่งทั้งหลายใสกันและกันเป็นไปเขาเรียกปฏิสุูบาทว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่ง น, งนี้จึงดับเพระอาฐาเป็นประจยัยจึงมีสังขารก็ว่าไปตามลําดับอันนี้ท่านต้องการเชีย่ยเห็นอะไรต้องการเชีย่ยเห็นบอกว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดมาจากเหตุปัจจัยต่างๆเนะ่ยเป็นไปด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยเป็นต้นนี้ท่านต้องการแสดงสถานะของปัจจัยหรือปฏิยาการต่างๆให้เราเข้าใจในเรื่องของ พวกตันหาทั้งหลายหรือเกี่ยวกับในเรื่องของอาวิชาต่างๆเหล่านี้แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของทิฏฐิที่จะกล่าวเนี่ยเนาะนิพการต่อไปก็คือว่าในกำปีวัตรายวีดกทั้งหลายเนี่ยนะท่านแสดงอะไรแสดงเกี่ยวในเรื่องของอุปาทานที่เรากําลังจะเรียนที่เรียนรู้กันอยู่นี่แหละตัวทิฏฐิทั้งหลายตัวอุปาทานทั้งหลายเนี่ยนะในด้านของอุปาทานเนี่ยที่ศึกษากันมาเนี่ยนะ เดี๋ยวมาสรุปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ตามไปดูในที่ติกาถาในด้านของอาัจฉาริไม่ว่าในคำพีวิพังในพระไตรปิฎกในพระสุตตานตปิฎกอะไรต่างๆ่าเหล่านี้นะท่านก็ให้จำกัดความกัาไว้ในเรื่องของเอตังมะมะเอโซมาสมีเอโซเมีเมาตาติไอตัเนี้ใช่ไหมนี่เป็นอิมันมี คือถ้าเราต้องการจะเข้าใจตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยท่านแสดงไว้ท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่ประมาณหหกชุดมีจนวนหกชุดเยอะแยะไปหมดเลยนะหกชุดเนี่ยนะคำว่าเอตัง ม, ม, มามะเนี่ยก็แปลว่า น, นี่ของเราเอโสหมัสมี เราเป็นนั่นก็ได้นั่นของเราก็ได้นะนี่ก็ได้นะเมื่อไแต่จะลงเนี่ยนั่นของเราก็ได้หรือนี่ของเราก็ได้นะเอตังมะมะเนี่ยเอโสอมัชมีก็คือเราเป็นนั่นหรือเราเป็นนี่เนี่ยนะไม่ใช่เป yes ็นนี่ใครนะเราเป็นนั่นเอโสเมตตาตินั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็เลยกล่าวกันบอกว่าเอตังมะมะนี่คือตัณหาว่างั้น เอสโมัสมีนี่คือมานะเอสเมอัตตาตินี่ก็คือทิฏฐิใช่ไหมก็เลยบอกว่าตันหามานะและทิฏฐิทีนี้ในชุดที่สองมาจากคาว่าอาหารติอาหารติวาเนี่ยนะอาหารติวาบอกการถือว่าเรามัมันติวาบอกว่าว่าของเราอัสมีติวาก็คือหรือว่า เราเป็นฮะ <Yeah. S 1> อันนี้คือชุดที่สองฟังคร่าวๆก็แล้วกันชุดที่สามอาหางการเ ม, มังการแล้วก็มานานุสัยอาหารการในการถือว่าเราเ ม, มังการการถือว่าของเราแล้วก็มานานุสัยเป็นอนุสัยคือมานะในชุดที่สามในชุดที่สี่มามายิตะ การยึดถือว่าเราหรือมะมัตตาก็คือว่าของเราหรืออัศมีมานะมานะว่าเราเป็นใ น, นชุดที่สชุดที่หอัตตาอัตเนียมีสงศงสับเนี่ยนะบวกอัศมีตีตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนชุดที่หก็คือตันหามานะทิฏฐิมีก็ตามโดยพิจารณาในออในชุดที่หนึ่งเนี่ยพบบ่อยมาก ในคําสอนในพิจารณาแยกสัตว์บุคคลออกจากขันห้านี่นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราใช่ไหมเป็นการที่ผู้องค์ทรงสอนเนี่ยในแง่แยกแยกอะไรออกจากขันห้าแยกบุคคลออกจากกรุ ป, ปขันออกจากเวทนาขันจากสัญญาสังขารยุยยานาขันเป็นส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นอายตนาบ้างภาษาเป็นต้นในพิจารณาไตรลักจนเข้าใจสภาพที่มิ ย, ยึดถือว่านี่ของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเรา มาจากคำว่าเอตังมะ ม, ออมะเอโสมัสมินะมเออมเโสเมอาตาทีนี้มันก็ตรงกันข้ามกับคําว่าเนตังมมะถ้าเนตัง ม, มามะแบบนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมิว่าก็ก็บอกว่าเราไม่เป็นนั่นนะเอโสเมอาตาติก็คือนั่นไม่ใช่อัตตาของเราใช่ไหมอันนี้คือวิปัสสนานเนี่ย จะเปทุกขาทุกปร ส, สนานิจานุปั ส, สนาแล้วก็หน้าตานุปั ส, สนาเข้าใจใช่ไหมตรงเนี้นะเนี่ยเข้าไปเข้าไปเจาะตรงนั้ น, ะ น, น, นก็ไปดูในพระวินทนายตัวอย่างแสดงไว้เยอะนี่ชุดแรกอ่าเมื่อตะกี้เราก็ไปดูข้อเปรียบเทียบเลยที่เราเรียนมาในด้านทิฏฐิกถาโอ้วันนี้ <laughs> นี่ฮะทำไมทาท่ามือเรียนคาสอนพุทธเจ้าใช่ไหมบโอ้ดีจังเลยคาสอนอพุทธเจ้าเนี่ยนะเออในในอัตถกถาท่านบอกว่านั่นของเราใ่เอตังมามะเป็นทิฏฐิที่มีความสำคัญเรื่องานาาของตัณหาเป็นมูลเหมเอาเดี๋ยวนี้ชัดดีเออนี้ชัดดี เราเป็นนั่นนี่เอโซฮามัสมีเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญด้วยอำนาจของมานะเป็นมูลเนี่ยไหมพูดเรื่องทิฏฐิไหมทิฏฐิที่สองนี่มีอะไรเป็นมูลมีมานะเป็นมูลทิฏฐิแรกนั้นมีอะไรเป็นมูลตฐานาเป็นมูลเอโซมีอัตตาตินั่นเป็นตัวเป็นตนของเรามีอะไรเป็นมูลไอตัวทิฏฐิเองนั่นแหละใช่ไหม สรุปแล้วเนี่ยทั้งสามตัวนี้พูดถึงอะไรเป็นประธา น, นมิจฉาทิถีนั่นแหละเนี่ ย, ยถ้าจับประเด็ดนตรงนี้จะจะได้ไม่งงหนึ่งมาแยกให้ดูว่าเวลาเราไปเจอในพระไตรปิฎกที่พูดตรงนี้สำหรับบุคคลนี้ต้องการจะศึกษาพระไตรปิฎกหรือไปได้ยินคมนี้จากพระท่านเทศทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไม่งงโอ้โหขนาดจะลาเขาก็ยังยากเลย ถ้าจะอ่านไม่ใจพิดอกต้องมีข้อมูลเ้าะต้องมีงขอม้อถ้าสรุปข้อมูลไม่ได้เปนนางอ่านนางงง <c oughs> ได้อ่านไปเรื่อย เ, อยเลยเดี๋ยวบุญเก่ามาส่งผล <c oughs> จริงมัน <c oughs> แปลกมากอ่านไปที่ศึกษาฟังทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวดี๋ยแวบออกมาเองตลาด แต่ไม่ใช่นอนหลับเฉยเนี่ยต้องต้องค้นคว่านเนี่ยเดี๋ยวความเข้าใจเราไม่รู้ตัวด้วยนะใช่ไหเนี่ยเราฟังทำเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกต้องไปนั่งคุยคนอื่นด้วยเฮ้ยเราจะไมมีความเข้าใจขนาด น, นี้นะ <c oughs> เน<ๆ>ี๋ยวท่ฏฐิขึ้นมาอีกเลยเนี๋ยวมันมาหน้าขึ้นจังเลยเต็มเนี่ยเขาโอ้เขาไม่รู้เหมือนเร า, าอ่ะนั่นนั่นต็มันจะมีทิฏฐิประเภทหนึง่งทับซ้อนขึ้นมหม่ทิฏฐิว่าเราดีกว่าเขามีมานะเป็นมูล ยี่ตังมามาเอ่โซ่ยโซมาสมีเนี่บางทีเห็นไหมทิฏฐิเนี่ยบางครั้งมีตัณหาเป็นมูลบางครั้งมีมานาเป็นมูลบางทีตัวที่ฐิเองนั่นแหละเป็นมูลเขาเองให้สังเกตนะนะไมนจะมีสามตัวนี่แหละแต่สรุปแล้วเนี่ยที่จะไม่เห็นผิดนั้นไม่มีเลยนี่จะได้เข้าใจเสียที่จะไม่เห็นผิดนั้นไม่มีเลย จะมีตัณหาเป็นมูลมีมานะเป็นมูลแม่ทิฏฐิเป็นมูลเองที่จะไม่เห็นผิดไม่มีเลยไอตัวไหนตัวไหนดีกว่ากันไม่ยอมเที่ยวเที่ยวให้ดีเลยเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้ท่านต้องการแสดงอะไรท่านต้องการแสดงมิจฉาทิฏฐิตรงนี้พี่นิเวศความถือผิดเพราะอาจว่ายึดถือคือตั้งมั่นเริ่มหน้าถึงความ ความเที่ยงเป็นต้นในวัตถุอันไม่เที่ยงตรงนี้เขาไปปรมาสานนี่แปลรูปคำนะ น, นี่เขาเขาจะก้าว ล, ล่วงอาการที่ที่ไม่เที่ยงนี่พวกนี้คิดเลยไม่เที่ยงไอ้คิดเลยไปจะถึงเที่ยงยันได้มันเป็นโทษ ค, คิดเลยไปจนถึงสุขยันได้มันเป็นหน้าตาคิดเลยไปจะเป็นอัตตามันไม่งามคิดเลยไปจะถึงงามยันได้นี่ไม่ใช่ทิฏฐิเนี่ยนะ มันคิดอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีตัณหาเป็นมูลใช่ไหมถ้ามีตัณหาเป็นมูลเนยมันจะคิดเลยไปถึงงามอ่ะคิดไปจนงามจนได้แหละให้สังเกตุเลยตัณหาเป็นมูลเนี่ยถ้าคนที่เอามีตัณหาเป็นมูลนี่นะพอมีมาน้าเป็นมูลมันคิดเลยไปอะไรตัเนี้ยอืคิดไปไ ป, ไ ป, ไปมาเนะจะเป็นของเราจริงใช่ไหมคิดไปจนถึงเยอะความเยียดยินมีการวัดนะดีนะ เรายังดีกว่าเขาเรายังได้มาฟังก็าามาทำอยู่คิดเลยแบเนี้แล้วก็มีทิฏฐิใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนไ้น่าสงสารเขานะเขาไม่มาฟังทำเหมือนเราไปเลยดมันเลยมีเลยไปถึงมาห น, น้าก็จนคิดเลยแล้วจะคิดยังไงเป็นสมาธิใชนะหอ้าวถ้าเราไปเห็นคน อายกตัวอย่างคารขาดเห็นไปเห็นคนกําลังประมาทมัวเมาประพฤติทุจริตอคิดยังไงเป็นสมาธิอ้คิดยังไงเป็นวิชาทิฐอคิดยังไงอ้าประกับไปก็ไปเห็นโลกเขากำลังเล่นดนตรีสนุกสนานอย่สมมตินะ เล่นดนตรีกำลังสนุกส น, กสนกานใหญ่คิดยังไงให้เป็นสมาธิคิดยังไงให้เป็นอ้าคิดให้เป็นวิจฉาทิฏฐิก่อนนะคิดง่ายมากเลยแล้วคิดให้เป็นสมาธิจะคิดยังไงอราจะคิดยังไงดี มีคนก็เคยเล่าไปบางังก็บอกว่าลูกเขาไปเรียนก็ต้องไปซ้อมด น, นตรีเขาบอกเออดีนะตั้งแต่ลูกเขาเรียนด น, นตรีมาเนี่ยรู้สึกสมาธิดีขึ้นทำไมสมาธิดีขึ้นก็กลายเป็นคนนิ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสงบมีสมาธิทําอะไรรู้สึกเขาเขาเป็นคนสุ ข, ขุมมากขึ้นมันจะว่านเ เราจะว่าเลยที่เราจะเห็นยังไงอะสร้าโลกเป็นไปตามกรรมจะพิจารณายัางไงถึงจะสามารถมองเห็นว่าเอ้ยตรงนี้สมาธิฏฐิเกิดขึ้นมาใช่ัหมมันอยู่ในระดับไหนกรรมมัสกตาสมาทิฏฐิหรือวิปัสนาสมาธิฏิถ้าระดับกรรมมัสกตาสมาทิฏฐิก็มองถึงกรรมมองถึงผลของกรรมมองถึงสิ่งที่เราพ้น และเราไม่พ้นไม่พ้นเนอะถามว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเป็นไหมเคยเป็นแล้วยังจะเป็นอีกไหมออืแม่นำอีกเลยอ๋ออืม ก็สรบปลงกุศลาธรรมมาด้วยเอลองสะเก็ดดูนะว่านางวิสาขาทำไมอยู่ในสังคมกับเขาได้เอเพื่อนเพื่อนของเธอเนี่ยกินเหล้มามอยาก็มีนะบริวารนกีก็มีทาผิดได้เยอะหมดเธอก็อยู่ในแวดวงนี้นะ่นเอต้องไปศึกษาแล้ว ว่าทำไมเธอวางใจเป็นเธอมีกรรมสกทาสมาธิถี่ชัดวิปัสนาสมาธิถี่ก็ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมสามารถสูงไปจะถึงมีวิปัสนากรรมสมาธิได้อ่ะวิปัสนาญาณเดิอขึ้นสูงระดับนั้นได้เลยเอ้แต่เธอก็อยู่ในแวดวงของสังคมมันมีการไปชมมีการกินเลี้ยงกันใช่ไหมก็มีการไปตามที่ต่างๆเดี๋ยวเธอก็ไม่ร่าเลยกันฟังนําแสดงทาสร้างวัดวาอารานี่ก็ทําไปดูแล้วแสดงว่าโ เขาเดินวิบัสนาสมาธิถีก็ได้กรรมสกตาสมาธิถี่ก็ได้แล้วเขาก็ารู้จักที่จะอยู่ในสังคมตรงนั้นด้วยใช่ไม่ใช่เขาเขามีสมาธิถีอยู่ก่อนแล้วที่จะอยู่กับไรานมไม่ใช่บางทีอย่างอนาถาพิณิกาเศรษฐีเนี่ยนะมาบรรลุทั้งอายุมากแล้วพระเจ้าเวิสาเนะี่ยเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วถึงมาบรรลุมีเยอ <laughs> ะแยะจำไหม มีเยอะที่บรรลุอ่ะเขาบรรลกันลกันตอนแก่ๆก็เยอะงั้นเขาอยู่ได้ยิงยิงใช่ั้มเพราะเขาเพียนพยายามเพราะเขาไม่เกลียดกานเขาไม่เขาปารลความเพียนตลอด ใช่ไหมวิธีคิดของเขาเนี่ยเขคิดถึงอนาคตตะภายใช่ไหมอนาคตตะภายที่เขาคิดเนี่ยมีมุมคิดตั้งเยอะแยะเขาก็คิดว่าบัตรนี้เนี่ยเขายังไม่แก่สักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเขาขืนประมาทใช่ไหมสักวันหนึ่งเนี่ยความแก่ก็จะต้องมาถึงเขาแน่เขาก็เลยระดมความเพียรเลย เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งแล้วถึงโสดาปฏิมาหรือยังบรรลุสดาปฏิผลหีืยังทําให้แจ้งในนิพพานของวสดามาตรสดาผลหรือยังนั่นแหละเขาคิดอย่างนี้เขาระดมความเพียรเลยเขาคิดแบบนี้ก็เขาฟังธรรม เห็น ไ, ไหมยเข้าคิดแบบนี้ยบางทีเนี่ยตอนนี้ชาลาตอนนี้ชาลามารณะไหมยังชาลาไหมยังมแล้วถ้าชาลามากกว่านี้จะปฏิบัติธรรมได้ไหม<ช><ช>พอคิดอย่างนี้เขาละ dom ความเพียรยังเขาละ dom เลยนี่เขาคิดอีกอย่างตอนนี้ถามว่าต่อไปภิกษุที่รู้พระธรรมวินัยจะไม่มีอ่ะ่างนี้เขาละ dom ได้ยังความเพียรต่อไปคนจะวิปปลิตในพระธรรมอีกเยอะ เราจะไปฟังได้ยังไงน่ะตอนนี้ก็กำเร่งอะไรดมความเบียดแล้วเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงไม่รู้ทำที่ยังไม่รู้ทําไม่แจ้งที่ทำยังรู้รู้แจ้มก็ใข่ควรไปใช่อีกเยอะแยะหมดทําไมไม่คิดมันมุมคิดทั้งนั้นแหละมุมตรงนี้ยครับฮะอ๋ออย่านเฟินก็พอพอคิดในลักษณะนี้ถามว่าอะไรก็กรณีที่บอกว่าคิดเกี่ยวเกี่ยวกับรูปเนี่ยคนเรามันก็เกี่ยวข้องกันด้วยกรรมใช่ไหม อ๋เนี่ยเป็นกรรมกรรมที่เราเคยทําไว้กรรมที่เขาเกี่ยวเขากับเราเกี่ยวข้องกัน เ, นเออมีกรรมที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันที่จะต้องมีเ อ, อเหตุปัจจัยที่ต้องมาอยู่อยูา่านี้ทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วถามว่าเออเมื่อเราเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนี้แล้วเนี่ยถามว่าตอนเนี้ยกุศลอะไรเกิดเนี่ยเราจะพิจารณาอย่าง ทีพอพิจารณาเบ็ดเสร็จเราเห็นเขากระทาในสิ่งที่ผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องเรื่องปกติถ้าถามว่าเออเราจะพิจารณาอย่างไรจะแนะนำอย่างไรถ้าแต่สิ่งที่ควรแนะนําก็คือแนะนําตัวเองให้ถูกคิดให้ถูกก่อนระดมวิธีคิดทําสมาธิถี่ให้เราให้ถูกก่อนว่าเออก ร, รมสักตาสมาธิถีว่าสิ่งที่เขาทาเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมเป็นบุญหรือเป็นบาปตอนนี้เขากําลังรับผลบุญหรือผลบาป เขารับผลบุญก็าอาจจะเกิดในถิ่นที่ดีต่างๆตอนนี้เขาประโยค่าสมบัติหรือประโยชนคาวิบัติเก็เพียนผิดหรือเพียนถูกก็ดูอย่างเนี้ยนะอ๋อจะเขาเพียนผิดเเอราจะหาอุบายทำยังไงเออให้เขาเป็นไปกับอเขาชอบเล่นดนตรีเออก็มีเทวดาท่านหนึ่งชอบดิดพินถวายพุทธิย่อเอาอะไรใช่ไหมเอาอะไรสิปัญจาสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยเอเขาก็ได้บุญนี่ นักดนตรีชั้นเยียบของของของสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยอะ่ะเอ๊ะทำไมเขาได้บุญล่ะอนักดนตรีคนนี้มันทำไมไม่ได้บุญโอ้มันประโยชน์เขาอิบาดนี่มันคิดไม่เป็นมันคิดจะบูชาพระเจ้าไม่เป็นเน่ะเพราะเสียงอะไรต่างสามารถเราเป็นพุทธบูชาได้นี่ศรัทธาไงใช้เสียงบูชาก็ได้นี่ใช้การขับร้องบูชาก็ยังได้เลยใช่ไม่ใช่แต่ทําไมเออเขาคิดไม่เป็นถ้าเขาคิดเป็นหรือ แล้วก็แล้วก็พิจารณาดูอีกเยอะๆรายละเอียดใช่ไหมอันนี้ตั้งธงไว้นิดๆก็ไปไปต่อยอดตัวใช่ไหมเออเพราะเขาทํำยังไงก็บูชาคนลําบุงเลยไ ม, ไ ม, ไม่ทำไมไป็ํ า, า ไ, มไม่ไป็ําทําไมไปลาบูชาตัณหาไม่ไม่ลาบูชาศรัทธาแล้วถ้าคนเขาได้ดิบได้ดีกันก็ตอนนี้พระเจ้าประสู ต, ติตรัสรู้ปรินิพานเนี่ยตอนโดยเฉพาะคนที่เขาตอนพระเจา้าตรัสรู้เที่วได้ตั้งแสนโกด รู้นะ่ะมาไล่ลําลนีิก็เต็มกลุ่มที่มีใครมีความสามารถทั้งไหนก็มาบูชาพระเจ้ากันเอาดิคนที่มีสามารถในการขับร้องก็ขับร้องสามารถในการแสดงดนตรีก็แสดงดนตรีแต่เขาเขาไม่ได้ทําด้วยใจที่มันเป็นไปกตัญหามันนะที่ที่เขาทําไปได้วยศรัทธาด้วยการบูชาใช่ไหมแจ้งนี่ก็ได้ความสามารถตนเองมีอะไรก็อตรงนั้นแหละบูชา นี่เขาดิทําทเป็นนี่เราเรามันพริกกลอบสนี่มันไปกนะมุมเลยนี้เราไปบูชาตันหาก็าไปเลยก็บวกกับคำคำก็นำปฏิสนทิแม่เดี๋ยวพอครบสามโมงครึ่ง่าเล่าเรื่องอะไรให้สลดใจแต่ต้องต้องต้องปิดเทปเป็นเรื่องที่มันมันมันน่าสลดใจเลยถ้าพัเราฟังกันพุบเนี่ยเราจะสลดใจ <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วจะสลอดใจแล้วแล้วก็พาไปดูได้เลยเป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วน่าสะดงสะเตื อ, อนยิ่งอธรมาเดระนี้สลอดมากๆฟังแล้วหูน่ากลัวมากถ้ามันมันเห็นแต่ในตำราใช่ไหมเจ้าผมไปเห็นของจริงมานี่โอ้โหทีนี้เราจะคิดอะไรกันเป็นเรื่องเป็นเรื่อง <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ที่บอกบอกว่าปรามาสานี่คือการลูกการลูกคํายึดถือสิ่งอื่นจากความจริงอันนี้ก็คือว่าถ้าปรามาสามีอยู่สองอย่างนะแต่ปรามาสอีกอย่างหนึ่งแปลว่าก้าวล่วงก้าวล่วงก้าวล่วงอาการที่ไม่เที่ยงไปสู่ความเที่ยงก้าวล่วงอาการที่เป็นทุกข์ไปสู่ความสุขก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นอนัตตาไปสู่อัตตา ก้าวร่วงไปสิ่งที่ไปสู่สิ่งที่ไม่งามไปสู่สิ่งที่งามถามว่าเรามีบ่อยไหมปรมาศาประเภทเนี้ยคิดทีไร น, นะก็เลยเลยไปถึงความที่อย่งางบั่งความสุขบ้างความเป็นอัตตาบ้างความงามเป็นต้นใช่ไหมเราไปเห็นเสื้อผ้าพอเห็นโปกขึ้นมาเราจะบ่นว่างามและไม่งามเห็นมันเลยใช่ไหม จะนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าแม่ดินน้ําไฟลมมันนี่งามเนาะมีนก็มันก็ยังงามอยู่เลยใช่ไหมไอ้ตัณหาไอ้ตัณหาก็ดีมานะก็ดีทิฏก็ดีเนี่ยมันสามารถเรียนรู้คําสอนของพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยมาเรียนรู้เฉยเลยแล้วมันก็เอาไปยึดเป็นของมันนี่ว่ามันเรียนมาไง พราะมันเข้าใจแล้วมันก็ดักเขาไว้นะให้เข้าใจแค่นี้นะไม่ใช่เพื่อการถ่ายทอดนะเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อจําเรียนเพื่อเข้าใจเรียนเพื่อไว้อวดไว้อ้างเรียนเพื่อว่าให้คนรู้จักเรียนเพื่อราบสการะเรียนเพื่อมีชื่อเสียงเนี่ยมันเอาแค่นี้แหละเรียนไปเสร็จก็พอแล้วได้บุญและเอางั้นมันบอกเราได้บุญแล้วนั่นแหละเพราะมันห้ามเราไม่ฟังไงเราก็จะมาเรียนให้ได้ที่แรกมันห้าม ห้ามไม่ได้ใช่ไหมปล่อยมาพบเอามาเรียนนะไม่เป็นไรแต่ให้เรียนเอาแค่นี้นะเรียนเอาบุญห้ามไปนิพพานไปสวรรค์ไม่ว่าแต่ห้ามไปนิพพา น, นนี้ดูดีมันดักไว้อยู่แล้วยังมาแล้วบางทีเราก็จะไปให้ได้ไปเสร็จแล้วมันจะบอกบอกว่าไม่ทันแล้วแก่มากแล้วเรามันบอกกันะเราเลยลดความเพียรลงมาอีกครึ่งหนึ่งเลย <c oughs> เขาย้าย่ะมันจะบอกหมดเลยเนีมันบอกว่าไปไม่ไหวแล้วบางท่านเนี่ป่วยจากขนาดนี่ยไม่ไหวแล้วนี่ทิฏฐิมันตนาเมตทิฏฐิเนี่ยมันดักเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะขยายวัฏฏะมึงทําให้เนิ่นช้าเพั้นสิ่งใดที่มันจะนิดเดียวมันก็เอาเขาคิดดูว่าแม้จะอยุดจะพักแล้วยังดีมันยังเอาเ่ย มันนได้หายใจให้ยคอนเราฟังฟังวันนี้รู้สึมันทกใจใเกินกาเป็นไหมล่ะตน้นหนาวแบบนี้ไหมมันอึดอัดเวลาฟังมากๆแต่ถ้าฟังแบบไม่จี้มันมากเนี่ยมันไม่ค่อยร่าเร้อนนะแต่มันจี้มากๆเหมือจะกลับบ้านโอตน้นหาวนี่ไว้ายกาจจริง ๆ, ๆนี่เนี่ยคือปรมาจาร์ คือคือยจริงๆโดยสภาพของตันหาเนี่ยเวลามันไปถูกบีบขึ้นมามันอึดอัดมันดิ้นเวลาเรียนเรียนเรียนอู้ไม่เข้าใจเลยปวดหัวทั้งวันเลยกว่าเรียนแล้วปวดหัวฟังธรรมของพระเจ้าเนี่ยฟังแล้วปวดหัว เรามาเออประหลาดแทะวางฟังอ๋อตั้นหามาหน้าที่ถี่มันเล่นงานเนอะเชื่อไหมมันเล่นก็ทําให้เครียดเครียดนี่ไงมันไม่มีความสุขหรอกไปเรียนเนอะคื อ, ค, อคือจริงๆเนี่ยการฟังว่าทำเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านเห็นไหมเออมันมีโอกาสเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามแล้วก็เพี้ยนไปยามแต่สังเกตใจในขณะฟังไปด้วย สังเกตใจไปด้วยในขณะฟังมันเป็นใบกับสัมมาทิฏฐิหรือเป็นใบกับิจารณทิฏ็สังเกตไปด้วยใช่ไหมเพราะเราฟังก็การขัดเราไม่ได้ฟังไปก็อย่างอื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่เวดหัวหรอกถึงจะฟังสัตว์ยากๆโอ้โหภาษาของพระเจ้านี่ลึกซึ้งแท้เนีมันตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมแม้ยากแก่สัตว์อย่างเราทั้งหลายจะเข้าถึงอย่างอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าจริงๆเหมียนถ้าเขาไลา่อะไรเยอะๆขึ้นมานี เดี๋ยวนี้มา จ, จะโยกภาษาบาลีบางเมืนไม่ได้เลยใชไหมจะโยกศัพท์ทางวิชาการทางคำสอนบางไม่ได้เลยเราตงเห็นใจคนฟังแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มไม่เป็นพวกเราแล้วลองลองไล่ตามศัพป้อ ป, ป้ไปดีใช่ไหมก็จะเป็นลองลองไปบรรยญญกับพาลองใช้ศัพ์ ตรงนี้ก็คือว่าประมาณสามีอยู่สองคำคำบอกว่าก้าล่วงอาการนั้นอย่างหนึ่งโรคคำยึดถือสิ่งอื่นคำว่าโรคคำยึบยึดถือสิ่งอื่นนั้นหมายถึงอะปกติแล้วก็คือถ้าไปโรคคำเนี่ยแปลว่าไปยึดถือแล้วไปยึดถือผิดไอสิ่งอื่นในที่นั้นคือมันไม่จริงไปโรคคำไปยึดถือในสิ่งที่มันไม่จริงนั่นแหละก็นั่นแหละเข้าสูตรเดิมนั่นแหละ เช่นเที่ยงแต่มันไม่จริงสุขเนี่ยมันไม่จริงอัตตาเนี่ยไม่จริงงามเนี่ยไม่จริงเนี่ยก็ไปเนี้ยก้าวล่วงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเข้าถึงสัตว์บุคคลเนี่ยมันไม่จริงเห็นไหมเข้าไปยึดนะไม่ใช่เข้าไปรู้อย่างเดียวถ้าเข้าไปรู้เนี่ยเขไม่ห้ามหรอกถ้าจะารู้สัตว์รู้บุคคลรู้ตัวรู้ตนรู้เรารอบเขารู้บัญญัติทั้งหลายรู้เยอะๆได้ดีแต่มันไปยึดมันไปยึดซะนี่ อาจจะไปรู้จากคําว่าแหวนว่านาฬิกาว่าสร้อยเนี่ยว่าตะปูหน้าต่างเนี่ยนะบันไดอย่างเงี้ยนะบ้านเอ้ยผ้าเอ้ยเก้าอี้เอ้ยหมอนเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยกระเป๋ารองเท้าเนี่ยท่านไม่ห้ามหรอกให้ไปรู้ได้แต่ไปยึดเนี่ยให้แต่ทิฐถีเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปรู้อย่างเดียวมันเข้าไปยึดมันไปยึดว่าเราแล้วก็ มีอัตถ น, ยนิยาใช่ไหมว่าของเราของของเราใช่ไหมนี่มันยึดยึดลูกแล้วไม่พอเนาะไปยึดหลานนี่เนะเหรีเนาะไปไปอะไรเห็นไหมเนี่ยมันยึดเหมือนเป็นแทวเลยรอะตะเข้านะเข้ากันี่ตระกูลเรานี่มันยึดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะนี่การยึดของเขามันยึดแบบนี้ถึงบอกว่าการรู้เนี่ยได้ปัญญาเนี่ยรู้เหอะ แต่สําคัญก็คือที่ผ่านมาในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปรู้อย่างเดียวมันเข้าไปยึดยึดในที่นั้นท่านใช้คำว่าปรมาสสะก็แปลวรูปคํายึดถือสิ่งอื่นจากความเป็นจริงก็คือมันไปยึดด้วยความเป็นของเที่ยงด้วยความเป็นของสุขด้วยความเป็นอัตตายด้วยความเป็นของงามท่วนนี้นี่เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปคําด้วยความถือผิดบาลีท่านใช้สากว่าพินิเวสะปรมาสสะ หรืออภินเวสปรามาศหรือปรามาโสดได้นะพระสารีบุตรเทระย่อมวิสัชนาภาวะแห่งทิฏฐิโดยกิจบอกว่าความถือผิดและความรูปเขามีประการอย่างนี้คือเป็นทิฏฐิคําว่าตีนีส้สตังเนี่ยตีนิสตังเนี่ยตีนีสนน้สตังนินแปลร้อสมติงติงสัสตังนินแปลร้อยสามสนี่นี่อะไรตีนีส้สตังเราสามรอยเป็นว จ, จนะวิราชนี่ นับโดยจำนวนอ๋อเข้าใจแล้วตีนี้สตางเนี่ยคืออย่างนี้เออสามร้อย 300, นับยังไงขันห้ายตนาสิบสองวิญญาณหกผัสสะหกจักขู่สัมผัสสชาเวทนาหกสัญญาหกเยตนาหกตันหาหกวิตกหกวิจารหกธาตุหกกระสินสิบโกฏฐาษาสามสิบสองอายนา 12, า 18, อุนาสิบสองธาตุสิบปดินรีสิบห้าเนาะ ภาพอีก23ปฏิจจ์สิรวมเป็น193นับที่ตั้งหนทิศที่อีก8และความก้มลมทิศี่อีก18ทิศี่สิอีกรวมเป็น3ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราแล้วทิศที่หิ 62, รวมกันเป็นเสร็จเป็น300รอดีเลยว่าันไม่ใช่ไม่ใช่ร้ 130. คือในบาลีท่านใช้คำว่าสยาติงสัสะตัง130 แต่อัตถาปกตินี้สตังสามร้อยสามร้อยกวดีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพวกตัณหามาลูกคำสิ่งเหล่านี้นะ่ะถือผิดสิ่งเหล่านี้ยถ้าถามว่าเท่าไรเนี่ยโอ้โหปาไปสามร้อยเลยอัตถากขยายมาสามรอยเลยตีนี้สตังยึดถือบขันห้ายตนาสิบสองเป็นต้นเนี่ยดูสิเนี่ยการลูกคำของเขาเนี่ยอภินิเวศปรมาศานี่เนี่ย เป็นความคลาดเคลื่อนแห่งวัจนะตีนีสตังเป็นความคลาดเคลื่อนห่งวัจนะจริงๆมันมันเท่าไหร่เนี่ยสยาตินสัต ส, ส, สตังร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเก้าเป็นสามรอยพอดีอ๋อเป็นสามร้อยจริงๆสามร้อยนี่พนักนี้น้ำเปสามร้อยจริงๆ เป็นการยกคำถามขึ้นมาท่านตอบ่าโสดาปฏิมักเป็นเครื่องกัน้นและเป็นที่ตั้งยันทิฏฐิโดยไม่เอื้อเฟื่อคำถามเป็นคำถามถอนที่ตั้งยันทิฏฐิแต่นี้นะก็ตรงนี้ก็คือโอ้โหตรงนี้ถ้าใครเอาไปไล่ได้เนี่ยโอ้โหเอาไปพิจารณาได้อย่างนี้หมดเลยทิฏฐิกระจุยกระจายเลยใช่ไหมไปนั่งใครควรพิจารณา ท่องที่เข้าไปก็ไปตั้งแล้วก็ไปว่ากันท้องกันนะนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเราเขค่อยไล่ไปเรื่อยๆนั่นนะใ น, นเข้านะเข้าโอ้โหจริงๆมองอะไรทุกอย่างนี่เป็นสมาธิที่หมดลย <c oughs> ใช่ไหมใครเรียกแม่เรียกพี่เรียกนานี่แทบไม่หันเลย <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นอะไรดีนะมะนี่ศรัทธาลมทบก็นะศรัทธาลมกระทบโสตประสาทโสตวิญญาณเข้าไปรู้โผกว่าจะใกล้ควรได้นะเข้าใจสภาวธรรมเลยตอนนี้สัตว์บุคคลไม่มีเลยแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะแต่เข้าใจแต่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริง ทีนี้ซึ่งรูปในะรูปังเป็นทุติยาวิพัฒน์การรูปคาด้วยความมินต์ผิดซึ่งรูปซึ่งรูปนี้ได้แก่รูปปูปาทานขันก็คือสิริรูปเนี่ยเพิ่มก็ว่าทิฏฐิคือความรูปคําด้วยความเมินผิดวันนั่นของเราทิฏฐิความรูปคําด้วยความถือผิดวันเราเป็นนั่นทิฏฐิมีความรูปคําด้วยความถือผิดวันนั่นเป็นตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือนั่นนะคือมาจากคําว่าเอตังเป็นคําทั่วๆไปเป็นคําบางทีก็นี่ก็ได้ ด้วยคําท่านทําให้เป็นคํานะปุงสักการีงและเอกวั จ, จนาวนั่นเป็นเวทนาของเรานั่นเป็นสังขารของเรานั่นเป็นสัญญาของเรานั่นเป็นวิญญาณของเราคําว่านั่นนี่เอโซนะท่านเพ่งถึงสิ่งที่ควรจะกล่าวถึงจึงทําให้เป็นคําปรุงลิงก็ไกลายเป็นว่านั่นของเรานี่เอตังมังมา เป็นทิฏฐิที่มีความสํคาคัญด้วยอำนาจถึงตัญหาเป็นมูลเราเป็นนั่นกับเอโซเมหมัสมินะเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญด้วยอํานาจถึงมานะเป็นมูลนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเอโซเมอัตานี่มีความสําคัญด้วยอำนาจทิฏฐินั่นเองแตนี้ตันก็มาขยายอีกนะขยายตรงที่ได้กล่าวเด้นเนี่ยแม้จะขยายตรงนี้ยาวเลยเนี่ยหมดเวลา การยึดมั่นด้วยอาหางการมามังการเนี่ยนั่นเป็นตัวตนของเราเป็นความยึดมั่นด้วยความดำริอาหารการมาการจัดตามลําดับเหมือนกันนั่แหละเนี่ยความตั้งมั่นด้วยมีตัณหาเป็นมูลความยึดมั่นโดยมานะความยึดมั่นโดยตัวตนที่ตั้งมั่นมีตัณหาเป็นมูลและยึดมั่นโดยมานะเป็นความไม่เห็นลักษณะที่เป็นทุกข์แห่งสังขารทั้งหลายเป็นความไม่เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายแล้วก็เป็นลักษณะยึดมั่นตัวตน เป็นตัวเป็นตนเป็นเหตุไม่เห็นไตรลักษณ์แห่งสังขารทั้งหลายนะสรุปก็คือนั่นของเราเนี่ยนั่นคือไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรความไม่เห็นลักษณะที่เป็นทุกขของสังขารทั้งหลายก็เพราะไม่เกิดอะไรไม่เกิดทุกขานุปัสนาใช่ไหมก็เลยบอกนั่นของเ อ, อตังม า, มาว่านั่นของเราเลยถ้านิจานุปัสนาไม่เกิดก็บอกว่าเราเป็นนั่นเนี่ยนะ เอโอมเมีย ม, มัสมีเนี่ยถ้าหน้ตาตาในปั ส, สนาไม่ปรากฏเขานั่นเพนตัวเป็นตนของเรานี่เอสโอมเมียตาก็เกิดขึ้นยึดมั่นตัวตนผู้ที่มีนิจเจถือวิปรารถ์เลยนะวิปราปรถ์ในทุกเนาะในความเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในความไม่งามว่าเป็นของงามแล้วก็ยึดมั่นตัวตนถผู้วิปรารถ์สี่อย่างเนาะ ไม่งามก็เกี่ยวไปในเรื่องนู้นไปเข้าข้อแรกเลยตัณหาเนี่ยแหละตัณหามันงามไม่ต้องไปตรงเงินเข้านะทุกด้วยคือคือตรงนี้ก็คือบอกว่าเป็นความ กรณีที่ยึดมั่นตัวตนพูดถึงความวิปรัรสาทั้ง4อย่าง น, นอันหนึ่งนี่นะความดำริดถึงอาการหนึ่งปุเพนิวาสานสติญาณ 2. ก็คือดำริดเพื่อจะได้ทิพจักขูยานในนาคตังในานาคตแล้วก็ความยึดมั่นตัวตนของผู้มีดำริดทำทั้งหลายมีส่วนในอดีตและนาคตอิทัปเยตาสิ่งทั้งปวงเป็นประจัจแห่งสิ่งนี้เป็นต้น นี่เป็นปฏิจจงบันเป็นความยึดมั่นตัวตวนของบุนคคลพูดคำนึงถึงอดีตในความพอใจเป็นต้นเราเนี้ยนะสรุปตรงนี้คืออย่างนี้คนที่เขาได้ปู้เพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเขาระสักยะทิฏฐิได้เนี่ยรักสักยะทิฏฐิแล้ว คนที่ได้ภูเพนิวาสานุติยาเนีามีวิปัสสนาหมายความว่าต้องในภาษาสนานี้นะทิฏฐิทั้งหมดถออนทิฏฐิเพราะเขาเห็นด้วยความเป็นนามลูกในภูเพนิวาสานุติยาแต่ทางก็ับแต่จริงๆจริงๆก็คือละละที่เป็นอดีตนหมดเลยนะละหมดเลยเนี่ย เพาะถ้าคนได้ปุเพนิวาสารนัสสียาและจุตูปปาตยาแล้วมีไหมที่จะไม่ได้อาร์ะขยายา น, นั่นแหละต้องเข้าใจใช่ไหมต้องต้องเข้าใจตรงนั้นฉะนั้นแปลว่าวิปัสสนาญาณของเขาเนี่ยแน่นอนแล้วจ่อคิวแล้เนี่ยก็ถอนทิถีหกสิบสองนี่แหละถอนบรรดาทิถีเหล่านี้เลยบรรดาทิถีทั้งหลายนี่กระจายเหมือนจะกว่าจะถึง ปุเพนิวาสานุติยาเ น, นี่นะแปลวิปัสนาญาณข้งท่านพุทธิเดินในกระแสกันของท่านเหล่านั้นอย่างช่ชําชองเหล่านั้นไม่ธรรมไดาหรอกแล้วเดินเดินได้คล่องมากเอาทําไมติ่งคล่องเพราะมีอภินยากําหนดหมายไว้ใช่ไหมกาหนดหมายว่าจะระ ล, ลึกชาติได้เท่าไหร่แล้ววิปัสนาญาณก็วิ่งตามตามตามร่องลอยที่อภิญญาเป็นตัวกําหนดขอบเขตให้ลองคิดดูวิปัสนาญาณจะวิ่งดิกได้อย่างคล่องแคล่วขนาดไหนเขาเรียกว่า มีสมาธิมีอภิญญาเนี่ยเป็นตัวกำหนดขอบเขตว่าให้คิดแล้วเขาเรียกว่าเปิดช่องไว้หมดแล้วนั้นวิปัสนาญาณก็แล่นวิจัยเลยวิจัยปะมารระบัญญัติเลยแต่เนี้ยวิ่งแล่นเลยพูดแล้วสนุกดังนะน่าได้อ่า น, นความนี่เป็นตัวเป็นตนนี่หมดเลยนะเอาวิชาดับ ความมืดหายความสว่างปรากฏอ่านี้หมดเวลาเลยเดีย๋ยวอุทิศส่วนกวุศลสวดมนกันก็จะจบกวันนี้ทิฏฐิคาถาแล้วก็ช่จริงในในดีกายังไม่ได้มาต่าว อ, อธิษฐานอ่อ Ha, ha, ha, ha, ha.